ยลพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสลภาวนาใครที่ต้องการอยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาในห้องได้ถ้าไม่ถามก็ ดูการถ่ายทอดสดทางเฟซ o o ๊กหรือ u t u ู e ก็ได้เหมือนกันวันนี้นักคุณมาถึงกรุงเทพแล้วเหรอนักคุวม า, ามานักคุณกลับนะมาสการับผ่นอาจารย์มาถึงแล้วเหรอใครมาส่งไหมอยู่โตเกียวค่ะหนูกลับมาผ่านบ่าอาจารย์กลับไปแล้วทำไมรีบกลับนะเดี๋ยว ย้ายไปอีกทีสิ้นเดือนหน้าค่ะอ๋อเสร็จทุรแล้วที่มาคราวนี้ค่ะเสร็จธุระเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์อ๋อแล้วนายกในสมัยนี้การเดินทางค่ะมาบอกเขาว่าได้ไปตักบาตรพระอาจารย์ด้วยค่ะอนี่วนนี้เลยอยู่กับพระอาจารย์ใช่ไหมคะมีอะไรจะถามไหมคะ มีไหมครัไม่มีไม่มีครับอบอกว่าอาจารย์เป็นเด็กดีไหมครับน้คือเด็กดีวันนี้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนน้อสาวครับวันนี้กินวันยเอร์เครับวันยังไงนะวันนี้อะไรชๆวันนี้กินข้าวหันร้อยเปอร์เ็นตร้อยเปอร์เนวันวันนี้ข้าวร้อเปอร์เซ็นค่ะพระอาจารย์กินข้าวหมดค่ะอันนี้ปิดแร้มากเลย ปิอ้ยังระตอรบอาจารย์ดีๆน่ดีๆครัอาจารย์ถามว่าหนูปิดเทอมได้ยังครับอมเชเกันเดหลุดค่ะัดีดีสิ <Okay. S 2> ยังไม่ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์มากราบค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวย้ายไปไ<อ>ตักบัดเป็นเด็ดีนะครับไม่ดื้อไม่สนนะเ okay, ค่ะโอเครับ <Okay. S 3> กับนางมาสิกานต์ัอกเขาขอกับนางมาสิกานต์เขาพระอาจารย์โอเคงั้นไปที่จ่าแมสกับแจสตี่อันนี้หายแล้วหรือแจสตี่นี่เขาไม่สบายกราวนามสการพระอาจารย์ครับตอนนี้หายแล้วครับโอเคมาส่งกันบ้านนะใช่ไหมวันนี้ใช่ครับอ่าส่งเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุมพลความแก่เป็นไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพรความเจ็บไข้ไปไม่ได้ <Scr> เรามีความตายเป็นธรรมดาจะ ล, ล่วพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นตา่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง <d> เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเราทากรรมใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน้ำน้สืบไปบเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดร่างกายไม่ใช่เรานาะอย่าพิจารณาเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราต้องพร้อมให้ร่างกายเขาเป็นไปตามสภาพของถ้าเราเป็นเรือน้ำลมไฟ ด้นในร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนัง<ม>เนื้อเอ็นกระดูกที่ในกระดูกม้ามหัวใจตับท้งพืชไตปอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแี่ในสมองศีรษะน้ำดีน้ำทะเล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 อาหารเก้าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตทางผืชตับหัวใจมา้าเยีนกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนอาการเหล่านี้มีเราอยู่ใ น, นอาการเหล่านี้ไหมไม่มีครับแน่นอนน่าใจนะรับค<อ>ุเค okay. เราอยู่ในโลกหนึ่ง mm hmm. เรียกว่าโลกทิพนะ mm hmm. เราส่งกระแสวิญญาณมาติดต่อกับร่างกายทางตาหูจมูกยิ้นกายถ้าเราก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรผ่านทางความคิดของเราร่า mm hmm. งกายก็รอคำสั่งเราบอกให้ครับมันก็ครับ โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีครับพ่อพยายามนั่งนั่งสมาธิอยู่ทุกวันตลอดเลยนี้ครับเมื่อวานครับแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ทำไมเมื่อวานนี้ไม่ได้นั่งแต่ฟังซูมภาษาจีนครับอ๋อครับพยายามนั่งใ ห, ให้บ่อยให้มากขึ้นครับสมาธินี่จะเป็นจะทาให้ใจเราแข็งแกร่ง เป็นเหมือนก<ต>้อนหิน<ต>จะไม่หวั่นไหวกับอะไรๆๆต่างๆ่านิ่งเฉยได้ใครจะดาใครจะชมก็เฉยได้ใครจะทำอะไรร่างกายจะเป็นอะไรใจเราก็เฉยได้<ะ>เราพยายามฝึกให้มากๆนะก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆพุโธวุทโธไปนะ อยากฝาให้ใจคิดใหยเปย่อยโอเคนะสาธุสาธุบุญพระเจ้าอ่าเดี๋ยววันนี้เอาพวกเด็กๆให้หมดก่อนนะตะวันต่อตะวันอยู่ฮอลแลนด์มีอะไรมั้ยครับไปวันนี้ไม่มีคำถามครับแม่เนแ่บ พระอาจารย์เขาวันนี้โยมอยากจะฟังธรรมพระอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องความเกี่ยวเนื่องกันนะคะของตัวสังขารขันตัวสมมุติแล้วก็ตัวตัญหาแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นนะคะสี่ตัวนี้นะคะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะคะพระอาจารย์ขอความมิตราค่ะสังขารมนันก็เป็นความคิด ต, ตุ่มแตกนึกคิดถึงเรื่องนั้นนึกคิดถึงเรื่านี้ เราเกิดมาในโลกนี้เราก็ถูกการสั่งสอนให้เราคิดถึงเรื่องต่างๆว่าเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งสิ่งที่เราถูกสอนมานี่เป็นสมมติทั้งนั้นคือสมมุติว่าร่างกายนี้ถ้าเป็นผมมีรูปร่างนี้ก็เป็นผู้หญิงรูปร่างนี้เป็นผู้ชายแล้วก็ถ้าคนนี้เป็นคนให้กำเนิดก็เขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เราเราก็เป็นลูก อ, นนอันนี้ก็เป็นความคิดที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากบิาดามารดาจากผู้ที่เขามีสูงอายุกว่าเราเป็นสังขารก็คิดปรุงแต่งไปเกี่ยวกัเรื่องสมมติเทนั้นเรื่องวิมุลนี่เรื่องที่ไม่สมมุติที่จะไม่ค่อยมีใครสอนต้งมันเรีนจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่านางกายนี้มันก็เป็นดินน้ำลมไฟนั่นเอง ไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในร่างกายนี้เมื่อกี้สังขารสมมติแล้วอุปทานพ อ, อถูกสอนว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราก็เกิดความยึดติดในร่างกายยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ตันหาหววก็ตามมาใช่ไหมก็อยากจะให้ร่างกายที่เรา ยึดมันถึงมันว่าเป็นตัวเราของเรานี่อยู่ไปนานๆอยู่ไปอย่างสุขอย่างสบายไม่มีโรคภัยแค่คเจ็บอะไรต่างๆแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาเพราะว่าร่างกายมันเป็นของที่ไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่อย่าไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้มัน เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราว แ, แล้วต้องแก่ต้องเหียบต้องตายอย่าไปยึดไปติดกับมันเพราะมันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเราก็อยากไปอยากให้มันไม่จากเราอยากไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดเพราะมันจะทำให้ใจเราทุกเวลาที่ต้องเกิดการพลัดาจากกันอันนี้ก็พูดแบบสรุปสั้นๆควรจะเข้าใจนะ ค่ะพระอาจารย์ปัญหาก็คือตัวตัวที่เราเป็นหลงสมมุติเป็นหลงว่าเป็นตัวเราของเราเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นอะไรเราเป็นของเราไปหมดพอมันเป็นเราเราก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นของเราแล้วก็เกิดความอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ เ, เราไป มีเราได้มาครอบครองนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นอ น, นิจจังทุกขังเราหน้าตาพอมันเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพาดจากกาันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามาได้ฟังธรรมะของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าให้เรามองมองในง่ายของความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราอย่างถาว่าเป็นสมบัติชั่วคราว แล้วก็มันเป็นความจริงมันเป็นธาตุสีเท่านั้นแหะทุกอย่างมาทำมาจากธาตุสีนินนะ้ำลงไฟหรืออาจจะไม่ครบธาตุสี่ก็ได้บางอย่างก็เป็นธาตุน้ำอย่างเดียวบางอย่างก็เป็นธาตุดินอย่างเดียวอย่มันก็มีส่วนประกอบของธาตุนันมาจากธาตุทั้งนั้นเราอยู่ในโลกกับธาตุเราก็เป็นธาตุเราก็คือเป็นธาตุรู้ ธาตุรู้นี้อยู่อีกโลกหนึ่งอยู่โลกทิศธาตุรูนี่อยู่โลกทิศแต่ก็เป็นท่านเหมือนกันที่มาเชื่อมมาเกาะติดกับธาตุสี่ที่น้ำลงไปที่ตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตาหูจมูกนิ้นกายไปสัมผัสแล้วก็ไปเสกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้แล้วก็ไปติดอยากจะเสกไปเรื่อยๆ่อยเหมือนคนติดยาเสพติด เวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์เวลาให้นั่งอยู่เฉยๆ6ชั่วโมงไม่ให้ทำอะไรนี่ทุกข์นะใจมันจะเดินอยากจะดูอยาจะฟังอะไรต่างๆที่มันใครดูใคยฟังอยู่เรื่อยๆนี่เราต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเห็นว่ามันเป็นความสุขกับความจริงมันนนัเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพแล้วต้องเสพแล้วก็ติดน อุปทานก็คือความติดติดแล้วก็อยากให้มันมีอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่มีก็ทุกข์กันหมเเราต้องเลือกเศษให้ได้เลิกเลิกเลิกไปติดกับทุกสิ่งทุกอย่างเลอกติดกับรูปเสียงกลิ่นแล้วเลอกติดกับคนนั้นคนนี้ยังไม่เสร็จยังเลิกติดก็ต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิใจสงบใจจะมีความสงบในตัวของมันเองมันก็เลิกติดได้มันก็ไปเลิกเศษต่างๆได้ อย่างพวกที่มาเป็นนักบวชเนี่ยก็มานั่งสมาธิก็อเอาความความสุขจากสมาธิมาทดแทนความสุขจากสิ่ ง, งตา่างๆคือรูปเสียงกยลิ่นรสต่างๆไม่ต้องเสพมันอย่ต่อไปก็เราจะไม่ทุกข์เพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบมันอยู่ในใจของเราเราผลิตผลิตขึ้นมาได้ตลอดเวลานี่คือวิธีแก้สมมุติวิธี สมมติเาต้องว่าทุอย่างในโลกนี้มันแค่ดินน้ำลมไปเมือไก็แล้วเอาแป้งเอาน้ำตาลเอาวัตถุ ด, ดิบบางอย่าง ม, มาผสมกันแล้วทําขนมต่างๆขึ้นําขนมเค้กทําขนมพายทําอะไรมันก็มาจากวัตถุ ด, ดิบก็คือพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยนั่นกายของเราอะไรต่างๆก็มาจากวัตถุ ด, ดิบก็คือดินน้ำลมไปเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไปเไป มันไม่ได้อยู่ไปตลอดลนะลองพิจารณาในอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นแค่ธาตุธาตุทั้ง 5, าาา้าตธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคือร่างกายธาตุรู้คือใจแล้วก็ลองลอยอยู่ในอ า, ากาศสัตว์ที่ท่านอาจารย์ชพระธีปอาจารย์เทศก็คือโยม เข้าใจเป็นเป็นคำพูดของโดมก็คือว่าเหมือนกับไอตัวตัวกิเลส ต, ตัวตัวตัณหาความอยากเนี่ยมันจะมันจะผลักดันไอตัวสังขารความคิดให้ไปปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นสมมุติอันนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ต้อไปปรุงแต่งในสิ่งที่มันอยากอ mm hmm. มันที่มันที่มันคิดว่าจะให้ความสุขกับมันพวกเราทุกคนที่ออกมาออกไปเิ่วิ่ไปทําอะไรกันก็เพื่อไปหาความสุขกัน แต่สิ่งที่เราหาความสุขมันเป็นความสุขชั่วข่าวเป็นความสุขแบบยาเสพติดเวลามันหมดเวลามันไม่มีเสพก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วต่อไปร่างการที่เราเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการไหาสิ่งงามเสรษมันก็เป็นของชั่วข่าวอีกเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็ตอนนั้นก็ไม่สามารถหาความสุขจากอะไรได้ แต่ถ้าเราเปลี่ยนวิีหาความสุขจักการหาความสุขจากสิ่งต่างๆมาหยุดตันหาหยุดความอยากให้ใจนิ่งสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจากความนิ่งสงบความหยุดตันันหาความอยากใจก็ไม่ต้องเพราะไม่มีความอยากใจก็ไม่หิ่มใจก็อิ่มอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีอะไร แล้วนั่งสมาธิแล้วก็มานั่งสมาธิเพืหยุดความคิดหยุดความอยากเพราะเราหยุดความคิดความอยากมันก็ดันดันความคิดไม่ได้ความอยากมันก็เกิดไม่ได้ต้อเราให้ความคิดคิดก่อนพรคิดแล้วก็สั่งให้มันคิดไปในเรื่องที่เราอยากอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยากอะไรก็คิดไปหาสิ่งนั้นแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมานั่นก็จะได้ไปหาสิ่งเหล่านั้นมาเสก ก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยรายไปก็กลับมาเสพอยู่เดิมถ้ายัางถ้ายัางเสพอยู่ยังมีตัญหาความอยากมีความอุปทานอยู่มันก็จะพาให้ไปเกิดไปไปพบใหม่ไปสู่พบใหม่ไปแล้วร่างกายนี้ตายใหม่ก็ไปสู่พบใหม่ไปสู่ชั้นไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายใหม่ไปสู่ความทุกข์ร้อนใหม่รอบที่รอบที่เรามาเกิดรอบที่มันเป็นมนุษย์กี่แสนน้านรอบเลยนะ คุณย่าบอกว่าแล้วมันก็จะต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ปไม่สามแล้วไม่ปฏิบัติตามตามคำสอนได้ตามปฏิบัติตามคำสอนได้ก็หยุดความอยากได้ก็ไปนิพพานแทนก็ไม่ไปเกิดอยู่ที่นิพพานแทน อาจารย์คะสำหรับโยมมีเรื่องสมบัตินี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยอะไรอาวรณ์เท่าไหร่แต่ว่าเรื่องครอบครัวนี่ยังรู้สึกว่ามันจะเลเวลมันจะยากขึ้นมานิดหนึ่งจะต้องย้ําคิดย้ําพิจารณาบ่อยๆเข้าไปอีกะ ค, ะออค่ะอาจารย์เออไปดูคนตายบ่อยๆยึดถึงคนตายบ่อยๆแล้วนะก็ย้อนกลับมาที่คนคนในครอบครัวเราทุกคนเ<ล>หมือนกันหมดทุกคนค่ะยึด<ล>บ่อยๆค่ะ ลองพยายามเปลี่ยนสมมุติเขาพวกเขาแล้วนะคะพระอาจารย์อย่างอย่างสายลูกกับลูกตัวเนี้ยเหมือนจะได้แต่เหมือนกิเลสมันหลอกจ ร, จริงๆเรามันยังไม่ได้ะค่ะพระอาจารย์ต้ อ, <ช>องเปลี่ยนสมมุติไแล้วยิ่งคนใกล้ตัวมันจะยิ่งยากนะคะท่านอาจารย์นี่ใช่ถ้าเราไม่มีสมาธิมันปล่อยไม่ได้ต้องฝึกสมาธิฝึกสมาธิแล้วจิตจะนิ่งวางเฉยได้แล้วปล่อยได้รู้ว่าต้องจากกันรู้ว่าจะต้องพัดชาตจากกัน ก็อจะไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอันนี้ทุกข์เดือดร้อนเพราสมาธิยังไม่มีกําลังพออเุเบกหายังไม่พอยังความอยากมันยังมีกําลังมากกว่ายังอยากให้เขาอยู่ของเราไปเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าฝึกสมาธิจนจิตเป็นอเุเบกขาจิตก็จะคุมความอยากไม่ได้พอคิดถึงความแก่เจ็บตายก็เฉยๆไะ้อยอมรับได้ เนั้นปัญญาที่เราคิดกนี้ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันยังไม่สามารถนำละอุปทานได้ล า, าความยิ้มนั้นถึงมันได้ต้องอาศัยสมาธิอปปนาสมาธิเน่ยนะเพราะตอนที่เราเข้าสมาธิตอนนั้นเราก็ละอุปทานชั่วคราวะและ<ช>้วเราก็ออกมาจากสมาธิเราก็ใช้ปัญญามาสอนให้ละแบบถาวรให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็น เป็นของหลอกแล้วอ่ะมันมันฟองน้ําอ่ะฟองน้ําเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหองานกายล้วก็เหมือนฟองน้ำํำมันตามันจากดินน้ำลมไปเดี๋ยวตายไปมันก็กลับไปสู่ดินน้ําำลมไปเรื่องสมาธิเจ้า่ะพรอาจารย์โยมก็ฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือโยมไม่ได้ทิ้งแล้วก็โยกสังเกตว่ามัน เอตัวโยมเนี่ยมันปิติมันจะเกิดบ่อยๆนะคะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าไปถึงชาติสี่ 4, มันยังไม่ไปถึงะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าเอ๊หรือว่าโยมไม่เคยเป็นเป็นฤาษีหรือพวกบัมเพลตบะอะไรแบบนี้มาก่อนมันหรือว่าความพยายามในชาตินี้มันมันไม่เพียงพอมันก็อาจจะเป็นไปทั้งสองอย่างนะคะะอาจารย์อระบาคุณสมาธิกเกิดง่ายๆคะ่ะพระอาจารย์เข้าดูลมหายใจไปเดียวก็ดับหายไปหมดเลยค่ะอืม เวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกเราต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอท่านดูลมก็ดูลมอย่างเดียวท่าพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นบางทีนั่งไปแล้วเดี๋ยวเกิดมีอะไรมากระทบหน่อยก็ไปคิดตามนะคิดเรื่องนั้นนี้เพอร์สตินะอันนี้มันก็มันก็เข้าไม่ได้การเข้าสมาธิก็เหมือนกับการที่เราจะเอาเอาได้ ยัดเขไปในรูเข็มเนะี่ยเคยเอาต้องมีสมาธิข่อแข็งที่เย็นนิ่งเนี้ยมือไม้น้องไม่สั่นนะมือก็ต้องจ้องทำมมเอาได้นะี่เอาเข้าไปในรูเข็มไม่ได้ก็เป็นแบบนั้นนะสมาธิก็เป็นหาจิตนิ่งจิตรวมก็ต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวอถ้าเราไม่ฝึกสติมา ก, ก่อนมันทําไม่ได้หรอกว่า ถ้าไปฝึกให้มันอยู่กับเรื่องเดียวมาก่อนมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สลับไปสลับมาอยู่เนี่ยไปอดีตเรื่องไปอนาคตมั่งจิตจะฆ่าสมาธิได้มันต้องอยู่ในปัจจุบันพอหยุ่ถ้าอยู่ในปัจจุบันมันก็หยุดคิดได้ถ้ามันไปอดีตมันก็ใช้ความคิดไปไปอดีตถ้าไปอนาคตมันก็ใช้ความคิดไปอนาคตงั้นต้องต้องมีอะไรเดึงให้อยู่ในปัจจุบันก็คือพุทโธก็ได้ ในการเฝ้าดูล่างกายเราก็ได้ทุกข์กิยาบวชวงการเคลื่อนไหวต้องฝึกมาก่อนต้องฝึกอย่างนี้มาก่อนนึ่งตาขึ้นมาก็เริ่มฝึกสติก่อนเลยอยู่กับร่างกายไปหรืออยู่กับพุโทโธไปทําหน้าที่อะไรก็ทําไปอาบน้ำนั่งน้าแปรงฟันก็ทําไปแต่อย่าใจอย่าให้ใจไปอดีตอย่าให้ใจไปอนาคตห้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายหรือหรืออยู่กับพุโทโธก็ได้ พุทโทใช้แทนร่างกายได้แต่ก็ต้องดูร่างกายด้วยเราทําอะไรเราก็ต้องดูเวลาเราทําถูกไม่ถูกมันก็ต้องคอยเฝ้าดูอยู่ที่แต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะดูแป๊บแล้วเราก็แวบไปที่นน้นแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่กลับไปกลับมาอยู่ถ้าให้มีสติจริงๆต้องไม่ไม่ไปแต่ให้อยู่กับร่างกายทุกเรืทุกขณะเลย ก็อย อ, อันดีตมันผ่านมาแล้วอย่าไปกังวลถ้าเรายังเข้าไม่ได้กับช่างก็ให้รู้ว่าเราต้องทําให้มากขึ้นนะเองทำให้ทําให้มากทําให้ถูกถ้ายังทําให้ถูกก็ลองไปศึกษาดูวิธีที่ถูกมันเป็นยังไงอย่างที่บอกนะมันก็ต้องอยู่กับเรื่องเดียวอแล้วก็อย่าไปคิด เ, เรื่องอื่นในทางนี้ด้านมันก็ต้องไม่ทํางานเนียต้องไปบวชเป็นบวชชีอยู่คนเดียว ถ้าทํางานอยู่บ้านเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้เดี๋ยต้องมาพูดตะวันสอนตะวันตะวันยินข้าวยังแต่งตัวยังมันก็ใช้ความคิดไปหมดนั้นชีวิตสมคายาวันนี่ยากต่อการที่จะเข้าสมาธิได้ต้องเป็นนั่งบวชนะยกเว้นคนที่มีบญเก่ามาแล้วอาจจะมีสติที่ที่ดีนั่งสมาธิกรสงบได้ อ๋อย <I> ังค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวจะฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆจะขอพระอาจารย์แต่ถามตัวเองก็คือมันก็มีเห็นพัฒนาการอยู่นะคะพระอาจารย์ในด้าน mm hmm. er, สมาธิแล้วก็ปัญญานะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ดังใจแต่ว่าก็ ก, ก็ก็ทำเท่าที่ทําได้นะคะพระาอาจารย์มีเวลาก็ทําไปเรื่อยๆคะ่ะก็อย่างอย่างที่พูดเนี่ยต้องพยายามทําไปเหมือนเต่าทำไปเรื่อยอย่าทำแบบกระต่ายเมือ่ออยากจะทำํทำกท็ทําบางทีทําเยอะ แล้วพอเนื่องไม่อยา ก, ทก็ทิ้งไปเป็นพักๆไปพอกลับมาทาเป็นงานต้องเหมือนน้ําต้นใหม่ไรแบบเตา้ลยก่ไปทิ้งไปทุกวันทุกวันทำมนัรน่อยๆเก็บต้งไปอย่าทิ้งอย่าหยุดทำแล้วก็เพิ่มให้ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพิ่มให้มากขึ้นไปตามเราเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเอง พระอาจารย์ก็ยมยมมีคําถามอีกคำถามนึงค่ะพระอาจารย์เกรงวันจนานถามได้ไหมคะพระอาจารย์ถามมาเลยไม่เป็นไรก็คื อ, อก่อนหน้านี้ยมก็ใช้พุโทโธแล้วก็ลมหายใจแล้วก็ดูดูอสุภะใช่ไหมคะพระอาจารย์พิจารณ า, าความแตกสลายไปทีนี้พอพักหลังๆนี่รู้สึกว่าจิตนะ่ะมันจะไปอยู่ตรงกลางอกของมันเองรู้สึกว่ามันจะเป็นฐานของจิตนะคะพระอาจารย์คืออยู่อยู่ลงไปที่กลาอกซึ่งก่อนหน้านี้ยมก็ไม่เคยไปเพ่งตรงหน้าอก น, นะคะพระอาจารย์ อย่างตอนคุยกับพระอาจารย์เนี่ยมันก็รู้สึกซาบซาบมันเหมือนมันเป็นปิติมาเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างวันมันก็จะเกิดตรงกลางอกแบบนี้นะคะพระอาจารย์มันรู้สึกเ ร, เ, รเราใช่เลยเป็นตัวอารมเป็นกรรมฐ า, า น, นลมหายใจค่ะเมื่อก่อนในจะพปูโชเยอะแต่หลังๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะสบายใจมากกว่าเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกค่ะแล้วก็เหมือนอมันจะรู้สึกลม <ง S 1> หายใจท<ต> ำ, ต, ำตอนนใช่ค่ะ ทำตอนที่นั่งหรือ ท, ทำทำตอนทั้งวันระหว่างวันก็ฝาพาล า, าจารย์ระหว่างวันจะฝาพาอาจารย์<ะ>แต่ว่าเวลาเวลานั่งสมาธิโยมจะใช้ลมหายใจ น, นะคะกลับกลับมันจะรู้สึกตรงการออกแบบนี้นะค่ะอ่มคือเวลาเดินกอย่าไปสนใจที่การออกสิให้อยู่ที่ปลายจมูกถ้าดู<อ>ว่า <ๆ S 2> ว่าลมดูที่ปลายจมูกดูที่ลมสัมผัสเข้า อ, ออกแล้วไม่ต้องไปสนใจกับอาการอย่างอื่นที่เกิดขึ้น ถ้าดูลมก็ต้องเป็นบ่อยๆจ้ค่ะพระอาจารยอ่าเป็นก็ให้รู้ว่ามันเป็นแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมัน<อ>มันไม่มันไม่ใช่เป็นตัวสําคัญตัวสําคัญก็คือตัวลมอานาปนสติก็คือให้มีสติรู้ลมหายลมลมหายใจเขา้าบางคนทําหลายอย่างพร้อมกันดูลมไปด้วยพิจารณาสุภาพไปด้วยอ่าแล้วก็ดูความรู้สึก ข, ของจิตอยู่กลาง อ, อกด้วยบนกันไปโปรยกันมาอย่างงี้ยมัน มันจับใจอ่ะอย่างตอนก<อ>่อนที่จะทำสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวลองจะลองนำไปพิจารกก็คือว่าที่โยมทำก็คือก่อนที่จะก่อนที่โยมจะจะจ ะ, จะนั่งสมาธิโยมจะเปิดตัวอสุภะดูก่อนแบบนี้เขรู้สึกว่ามันใจมันสงบได้ง่ายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าถ้าใช้ไปเครื่อมกล่อมใจก็ได้แต่พอว่าถึงดูลมแล้วต้องอยู่เอาให้อยู่อยู่อย่างนี้ไม่กลับไปกลับมาอีกเจ้าค่ะ ในที่สุดมันจะต้องเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธอย่างเดียวแล้วลมอย่างเดียวแต่ว่าโรคมากเือค่ะว่าดูจาวสุภาษอย่างเดียวก็ได้ดูเพ่งดูสรางศพอย่างเดียวเป็นเป็นอารมณ์แทนลมก็ได้แต่อย่าวิ่งไปวิ่งมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาทําสมาธิแต่ตอนต้นอาจจะใช้เป็นเครื่องกล่องกล่องอารมณ์กล่องกล่อมใจได้อยู่ท่านใจยังฟุ้งซ่านอยู่ยังวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บางคนก็ใช้การสวดมนต์ก็ได้ บางคนก็ใช้ดูอสุภะก็ได้แล้วแต่จะดิจันเี่แต่ในที่สุดก็ต้องกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้ว อ, อยู่ที่พุโทโธอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องพูดเข้าโธอย่าไปเอาสองอย่างเอาอย่างเดียวอยากลมก็ลมไปเลยเจะเพุโทโธก็พุโทโธไปเลยเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัติมันต้องอมีเรื่องเดียวจิตมันเชิงจะรวมเป็นหนึ่งได้คาตาลง แต่เริ่ตนก่อนเร่ตอนนี่อาจจะเอาเอากรรมฐานอย่างอื่มนมากล่อมใจก็ได้ถ้ามีเรื่องโกรธใครก็ต้องเอาเมตามามากล่อมใจให้อภัยของสุขภาษาแล้วก็อย่างเวลาเดินจงกรมโยมจะเปิดเทปธรรมะไปด้วยะคะ่กะกายคตาสติพิจารณาท่าสี่สมมุติอะไรแบบนี้ไปด้วยะค่ะพระอาจารย์ก็ถ้า ถ้ายังทําเองไม่ได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้แต่ในที่สุดก็ควรจะใช้ใจตอมดีกว่าอย่าไปใช้อะไรภายนอกเดีย๋ยวเกิดไม่มีฟังแล้วเดี๋ยวจะเดินโยกกลงไม่ได้ก็ค่ะคือโยมจะติดตรงที่ว่าวันเนี้ยมันจะต้องต้องต้องต้องเพราะว่าอย่างเวลาตื่นมันก็มันก็จะไปของมันอ่าบางทีก็พูดโทรบ้างดีก็เอ่า นึกถึงภาพประสิทธิภาพเก่าๆบ้างบางทีก็ลมหายใจบ้างอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้โยมจะยองมาโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ว่าใจมันจะได้ไม่กวาดแหว่งไปแบบที่พระอาจารย์บอกะอะนะคะเนินจงโกไปก็ดูเท้าก็ได้ไม่ต้องไปดูอย่างหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือทําพุโทโธพุทโธไปก็ได้ไม่จะทํากระดูกกระดูกไปลยกระดูกกำลังเดินอยู่เนีน่น้าแข้งน้ำขาไม่มีกระดูกนั่น นึกถึงโครงกระดูกเดินเดินจงกรมไปก็ได้โครงกระดูกเนี่ยแต่ให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยากคิดถ้ า, าอยู่ในขั้นฝึกสติสมาธิอยากพึ่งไปทางปัญญาไหมโยมจะชอบปัญญาไปจากปัญญาเลยปล ว, วันนี้ยังไม่ได้สอนใจยอมรับความจริงแต่ทุกวันจะต้องสอนใจให้ยอมรับความจริงใช่พระอาจารย์แล้วมันก็ชอบร้องไห้แบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันยังไม่เลิกร้องไห้แล้วมันเป็นเดือนแล้วค่ะพระอาจารย์ร่ำ<อ>ล่นไม่ได้หรอกปัญญาไม่มีสมาธิมันร่ำลนไม่ได้ ต้องได้สมาธิก่อนนะั้ะพอใช้ปัญญามันก็จะรับได้ถ้าไปข้ามขั้นตอนแนละ้วมันก็ไม่มีวันที่จะปล่อยวางได้สิ่งที่จะปล่อยวางก็คือสมาธิปัญญาเพียงแต่คอยสอนให้เราปล่อย น, นั่นเองแต่ผู้ที่จต้องปล่อยก็คือสมาธิอุเบิกขา ใ่ค่ะอจาล้วแต่มันมีความคิดอีกอย่างหนึ่มันย้อนเข้ามาค่ะถ้าวันนี้โยมตายแล้วยมยังไม่ได้พิจารณาเลยค่ะอาจารย์แล้วเวลาเจาอาวุธอะไรไปใช้ค่ะอาจารย์ตอนที่โยมกำลังจะตายอันนี้ก็มันก็มีแบบเข้ามาค่ะถ้าถ้าโยมเอาฝึกสติกับสมาธิ ก, ก่อนนะคะอาจารย์ก็สติสมาธินี่ยก็ใช้ได้เวลาตายก็ทําก็ต้องทําใจให้นิ่งให้สงบอนยะ่างถ้ามีปัญญามันก็ไม่นิ่งไม่สงบเพราะมันยัง มันไม่มีสมาธิมันก็ยังทาให้ึ่งให้สงบไม่ได้อยู่ดีถ้ามีสติมีสมาธิก็สบายแล้วเห็นว่ามันอาจจะยังฆ่ากิเลสไม่ได้อย่างถาวรถ้าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญามันถึงจะฆ่ากิเลสได้อย่างถาวรแต่มันมันก็หยุดกิเลสได้ชัว่วคราวเวลากิเลสจะมาสร้างความทุกข์ก็ใช้สติยับยั้งมันก่อนก็ได้ อยู่คิดเถอะคิดมากมันก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งมามันหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะจะามค่ะช่ไ ด, รไได้รู้หมดแนตะ่ทาทาใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ไม่มีเบคขาปล่อยวางไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคหมดแล้วนะจะข่พระอาจารย์เท่านี้ก่อนจะข่าพระอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ี้คุณฝนกับลูกชายลูกชายคนณวนมาด้วยเลย น, นี่ ก า, การกาภนมัสการค่ะพ่ออาจารย์อเออวันนี้ลูกชายขอมาเข้าด้วยอะคะ่ะเพราะว่าจะสอบวิชาพระพุทธศาสนาอี่นี่มันวิชาเขาเขาไม่ถามวิชาที่เราคุยกัะไม่เราค่ะไม่เราค่ะพอดีพอดีมันเป็นเรื่องของอริยสัจสี่อะคะ่ะแล้วเขามีคําถามคือคือหนูเองก็จะอธิบายลูกแต่ว่าเหมือนพอมาถึงพารของนิโรดกับมาร์กอะคะ่ะหนู อธิบายเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนของนิโรดกับมาร์กหน่อยคือหนูเข้าใจว่ามาร์เนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์อะคะ่ะแต่ว่านิโรดเนี่ยคือเราก็เข้าใจว่ามันคือนิพพา น, นะคะ่ะแต่ว่าสําหรับเด็กอะคะ่ะเขาไม่เข้าใจว่าแบบเวลามียกตัวอย่างมาะคะ่ะว่าอะไรคือนิโรดอะไรคือมาร์แบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็หนูหนูเข้าใจทุกข์หรือเปล่า ทุกข์คือก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับทุกข์กับสมุทัยเข้าใจแล้วครับอธิบายบอกอธิบายทุกข์คืออะไรคะลูกอืทุกข์คือสิ่งด้านลบที่เราคิดครับิ่งที่ทําให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมแล้วสมุทัยเนี่ยสมุทัยคือเหตุเหตที่ทําให้เกิดทุกข์ครับอือคืออะไร เหตุที่ทํให้เาเกิดทุกข์คืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับอ่าก็คือความอยากไงอยากจะไปเที่ยวแม่ขออยากจะเล่นซื้ออยากจะซื้อเกมให้แม่ซื้อเกมให้แม่ไม่ซื้อให้ก็ทุกข์ใช่ไหมเสียใจหรือเปล่าเวลาอยากจะได้แล้วแล้วแม่ไม่ทำตามตามที่เราอยากได้เราจะรู้สึกยังไงทุกข์ไหมอ๋อเสียใจเลยอ่านั่นแหละความเสียใจนี่ก็คือความทุกข์อนไรนะ เกิดจากความอยากของเราเองอยากให้แม่ซื้อของให้เราแล้ะแม่ไม่ซื้อให้แม่บอกไม่จาเป็นแล้วแม่ไม่มีสตังนี่พอไม่ซื้อให้ก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาวิธี ท, ทาให้ทุกข์ใจหายไปทำไงก็เปลี่ยนใจเลยเยนว่าเราอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้แม่ซื้อเพราะเราไปสั่งแม่ไม่ได้บังคับแม่ไม่ได้แม่เป็นของที่เราไม่สามารถไป ควบคุมบังคับได้เป็นให้รู้ว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากของเราอยากได้ของเล่นต้องเอาสายแม่หึือคนซื้อให้นี่แม่ก็เป็นคนที่เราไม่สามารถสั่งได้ว่าต้องสั่งปั๊บจะทำตามเราเราก็ต้องเห็นว่าแม่เป็นคนไม่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางทีเขาก็ทําตามเราบางทีเาก็ไม่ทาตามเรา อตอนนี้เขาไม่ทําตามเราเราจะทำไงให้เราไม่ทุกข์เราก็เปลี่ยนใจเลยเรากไ็ไม่เปลี่ยนความอยากไม่เอาก็ได้คิอย่างนีง้พอเราไม่เอาปั๊บความเสียใจก็หายไปคาว่าหายไปนี่ก็คือนิโรอดนิโรดแปล ว, ว่าการดับทุกข์เป็นการหายไปของความทุกข์ทุกในในเหตุการณ์นั้นไม่ใช่หมายถึงว่าทุกข์แบบนิพพานนิพพานนี่หมายถึง ทุกหายไปหมดเลยแต่ตอนนี้เรายังดับทุกเตียตัวสองตัวมันยังไม่หมดยังเรียเรา ย, ยังไม่เรียกว่านิพานถ้าเร า, าดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้หมดมันก็จะเป็นนิพานขึ้นมานิโรยก็จะเป็นนิพานคือโดอความทุกข์ไม่มีหลงหรืออยู่ในใจแล้วเราก็เรียกว่านิพานแต่ถ้ายังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่เราก็เรียกว่านิโรยอยู่ hmm. ตัวนี้ดับไปความอยากตัวนี้ดับไปแต่ยังไม่อยากอย่างอื่นอยู่ อยากให้แม่ซื้อของให้ดับไปแต่ยังไม่อยากอ ย, ากอย่างอืนอยู่อยากอยากไปเที่ยวคนเดียวอย่าเงี้ยแล้วแม่ไม่ให้ไปอยาเงี้ยก็ทุกข์อีกเนี่ยเอราะนั้นยังมีความอยากอยู่มันก็ยังยมีความทุกข์อยู่นะถ้าเรารู้ว่าความความทุกข์เกิดจากความอยากของเราถ้าเราหยุดความอยากเสอเราก็จะไม่ทุกข์เขนะ้าใจไ ไม่รู้นยะเวลาเขาตอบในในในใ น, ในตำนาก็าตอบกันยังไงไม่รู้เลยไม่เป็นไรครับพอาจารย์คือหนูอยากให้เขาเข้าใจว่านิโรธคืออะไระค่ะกับมารคคือมาร์คเนี่ยคือเหมือนเครื่องมือที่ใช้ในการดับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านิโรธเนี่ยค่ะที่หนูอธิบายเขาไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ว่าแบบนิโรธก็เหมือนเหมือนเห ม, มือนกับไฟใช่ไหมเวลาเวลาเราเปิดเปิดสวิตช์ไฟในไฟก็ติดใช่ไหมใช่ไฟติดก็เหมือนเป็นทุกข์สมมติเร า, าเอาไฟติดเนี่ยเป็นทุกข์ แล้วเหตุที่ทําให้ไฟติดคื่องอะไรก็คือเราไปเปิดสวิตช์ใช่แล้วถ้าเราต้องการให้ไฟดับเราจะทำยังไงเราก็ไปปิดสวิตช์อ่ปิดสวิตช์กันนะพอไฟดับเราก็เรียกว่านี่โลดทุกดับไฟดับแล้วก็เอาไฟนี้มาเปรียบเทียบแทนความทุกข์ใจเราเนี่ยค่ะมาใจก็อยู่แค่เนี้ยเราต้องรู้จักสวิตช์ในตัวที่มันเปิดมาแล้วทําให้เราทุกข์ ตัวที่เปิดแล้วไฟติดถ้าเราอยากจะปิดไฟเราก็เราไปหาสวิต ท, ที่ทําให้ไฟนี้มันดับใช่ไหมพอไปเจอสวิต ท, <Okay. S 1> ที่ดับไฟแล้วก็ปิดสวิตาไฟก็ดับได้ <Okay. S 1> นี่สวิตในใจชนี้นอ่ยา <c oughs> การเดินไปปิดสวิตเนี่ยก็เป็นนัด <c oughs> หยุดความอยาก <c oughs> ไปหยุดความอยากไปปิดสวิตเวลาไปเปิดสวิตไฟก็เกิดความอยากขึ้นมาเนี่ย เราเกิด okay. ความอยากขึ้นมาแล้วไม่ได้ตามใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเราต้องการให้ความทุกข์หายไปเราก็ไปปิดสวิตปิดความอยากแม่ไม่เอาไปได้เปลี่ยนใจอยากจะไปเที่ยวแม่ไม่ให้ไปเที่ยวก็ไมไปได้อยู่บ้านก็ได้ออยู่ที่ความอยากของเราความทุกข์อันนี้แหละไว้สังเจตดู ทุกทุกวันทุกเวลาเวลาที่เราทุกเราไม่พอใจไม่สบายใจขึ้นมาเพราะความอยากของเราทั้องนี้ความอยากล้นล้วนแล้วมรรคก็คือเนี่ยต้องมองให้เห็นว่าความอยากเป็นตัวทําให้เราทุกข์ก็คือมรรคอัญญาก็คือเห็นว่าเห็นว่ามรรคเห็นว่าความความทุกข์เกิดจากความอยาก ล้วก็ไปหยุดความอยากความทุกข์ก็หายไปโ <Okay. S 1> อเคครับคำถามจมเดี๋ยวต้องดูว่าผลสอบจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> ไม่หรอกค่ะเพราะว่าพอดีวันนี้ก็สอนเขาเรื่องพุทธศาสนาเพราะว่าโรงเรียนเขาให้เรียนนะคะแล้วก็เรียนทั้งเล่มเลยค่ะก็เลยก็เลย แบบคือก็ก็ดีอะค่ะเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะเขาพวกนี้มันก็ต้องค่อยๆซึมทราบเข้าไปในใจไม่ใช่ต้องมีประสบการณ์ด้วยมันถึงจะเข้าใจครับก็ค่อยๆดึงเขามาค่ะพาร์ทายบางทีเด็กก็ยังมีความอยากจะไปทําอย่างอื่นนะคะแต่หนูก็พยายามแบบเอาเขามาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพาร์ทายตอนนี้เรายังพอจะดึงเได้อยู่แต่เดี๋ยวตโงขึ้นโงขึ้นมากกว่านี้เขาจะเริ่มเป็นตัวของใครมากขึ้นะ อย่ก็จะ<ช>เียงแล้วกันก็ะต่ออคือวันนี้ก็เถียงค่ะส่วนในของหนูอะคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้หนูก็เอาวันพฤหัสอะคะ่ะเป็นวันวันปฏิบัติธรรมถือศนะี่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวอาทิตย์พฤหัสที่ผ่านมาก็ ก็ทำได้ดีอะค่ะแล้วก็นั่งสมาธิได้ดีขึ้นทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจว่าถ้าหนูยังอยู่บ้านก็คงจะไม่ค่อยมีเวลาทําอะค่ะแล้วหนูก็เลยตัดสินใจโทรจองที่จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวต้นเดือนหน้าจะไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็ดีอรารย์สถานที่ปฏิบัติธรรมมันจะช่วยทําให้การปฏิบัติเนี่ยรามรื่นขึ้นสะดวกขึ้น ค่ะก็ไม่เคยไปเลยค่ะก็เป็นครั้งแรกอะค่ะไปเองคนเดียวก็ยังไม่เคยก็ก็ต้องก็ต้องไปอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนอยากอยากไปได้ความอยากไปหาความสงบแล้วก็จะได้มีเวลาปฏิบัติเต็มที่ด้วยอะค่ะอ่าดีค่ะค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้มีกลับเรียนเท่านี้ค่ะพระอาจารย์แถ้าไปไม่ได้ก็ปฏิบัติที่ไหนได้ก็ปฏิบัติไปนะค่ะก็หนูก็ทําวันพฤหัสอะค่ะพระอาจารย์ค่ะลางานเรียบร้อยเป็นวัน เนการเพิ่มเป็นการทําเพิ่มค่ะค่ะครายงานเรียบร้อยค่ะแพลนเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งใจไว้เรียบร้อยนะคะ่ะแล้วก็ตั้งตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะด้วยค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณองค์สูตเจ้าค่ะอ่าไปที่น้องบีน้องพีนะน้องพีแม่สแกนดวงตาค่ะอ่าเป็นยังไงครับ สบายดีครับว่วงนอนหรือยังครับง่างนอนแล้วครับอ่ามีเวลายอยากจะถามไหมครับหนูอยากจะถามว่าคือว่าตอนเนี้ยครับเพื่อนเพื่อนหนูครับจริงจริงสิ่งอย่งอันนี้หนูก็ไม่อยากจะบอกหรอกนะครับเพราะว่ามันมันพุชลิดมากเลยครับแล้วเราอย่าไปทําตามเขา ถ, ถ้าเรารู้ว่าไม่ดีเราก็อย่าไปทําตามครับ ก็ยอมทำมาเลยตมเขาบอครับแต่ว่าคือหนูสงสารเพื่อนนะครับคือเขาอะมีปัญหากันจริงๆเขาอะเป็นศัตรูกันหนูมากเลยครับอืวิธีทำปฏิบัติกับศัตรูของหนูพระพุทธเจ้าสอนให้ทำยังไงรู้ไหมให้อภัยเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาหนูให้อภัยเขาตลอดนะครับแต่คือหนูให้อภัยเขามากๆเขาก็ เขาก็คิดว um> <Oh ่าเขาอาจจะทำอะไรก็ได้แล้วเขาก็แล้วเขาก็คิดว่าหนูเป็นที่ค่าเขาบอกว่า y o u r you're my slave I can do everything to you ก็หนูบอกก็ต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นเชลกของคุณนะคุณจะทำอะไรก็คุณทำของคุณเองหนูไม่ต้องไปทำตามที่เขาสั่งอย่าไปยุ่งของเขาอย่าไปใกล้เขา เวลาเจอเขาก็าไปคนละทางกันอยไปอยู่ใกล้กันบอแต่ว่าหนูห่างนะพูดสิหนูห่างแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าเขาก็มายุ่งกันหนูอีกครับเออต้องเขาต้องอดทนนะ ม, มัต้องมันพยายามหนีไปเรื่อยๆคอเป็นน้องพีงเล่าให้ฟังว่าเขาจะคอยแกล้งตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็เขาพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรนะพูดใส่หนูว่าอะไรนะ You slave ไม่ใช่อีกอันหนึงที่ว่าเป็นอะไรปีเทรลเลอร์สอ่าต้องอย่าไปสนใจเขาน่ะเราก็อยู่ของเราไปเขาจะดีเขาจะเชื่อก็เรื่องของเขาไปคื่อหนูย้ายห้องแล้วครับแล้วเขาก็บอกว่าอย่หนูทรยศเพราะว่าเขายังคิดว่าหนูเป็นขี้ข่าเขาอยู่เขาถึงบอกว่าหนูอ่ะทรยศเขาเอเขาจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาไงเราห้ามเขาไม่ได้ แล้วเราเราทําตัวของเราเองได้เราเรียบทําอะไรของเราเองได้เราไาม่ยุ่งกับเขาก็จบก็จะมาบางครั้งมาเราให้ไปยุ่งกับเขาไม่ได้คร่ะคือแม้แต่ข้อสอบเนี่ยครับหนูก็ช่วยครับเพราะว่าหนูสงสารเพื่อนว่าเอาว่าเขาจะเอ า, เอาตัวรอดไม่ได้หนูก็ช่วย หมดทุกครั้งแต่ว่าสิ่งที่เขาตอบแทนเขาไม่รู้บุญคุณเลยว่าขนาดข้อสอบเนี่ยหนูยังช่วยเลยจริงๆหนูไม่อยากจะช่วยเลยแต่หนูก็ต้องช่วยแล้วแล้วหนูช่วยเสร็จแล้วสิ่งที่เขาตอบแทนหนูมันไม่มีอะไรเลยคือมันจริงๆหนูก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรหรอกหนูแค่สงสารเพื่อนว่าตอนตอนที่เด็กๆอะหนูอ่ะ หนูสนิทกับเขามากครับแต่ว่าตอนเนี้ยหนูไม่สนิทกับเขาแล้วแต่กลายเป็นศัตรูเฉยเลยก็แยกกันอยู่ก็แล้วกันอย่าไปอยู่ใกล้กัน ย, ย้า ย, ายยย้าห้องแล้วครับจากห้องออทับหนึ่งมาเป็นทับสองนะครับในห้องเอมาเป็นห้องบีก็ใช่นะครับเขาพูดแบบไทย พูดเป็นาษาอังกฤษลงตาก็ฟังหนูได้ยากเขาก็หนีคือเขาก็ไปคุยกับกับครูที่เป็นเฮดที่โรงเรียนนะคะก็ไปขอยายห้อมเพราะว่าคือเขาก็เหมือนแบบเขาไม่ไหวหนูก็ให้ให้ให้เขาคิดเองว่าเขาอยากจะย้ายหรือไม่ย้ายอยงเี้ยเพราะว่าที่โรงเรียนเด็กต่างชาติเยอะแล้วก็แบบคนศาสนาก็มีบางทีก็แบบ หนูก็สอนเขาตลอดให้เขาให้อภัยให้อภัยจนแบบว่าั้งนี้เขาทนไม่ไหวแล้วเป็นเลยพอแบบไปทําไปทํำนูน่นไปเดินไปตรงไหนไปอะไรก็จะคอยมาแบบแก้แล้วก็ไปโกหกกับครูอะไรอย่างเนี้ยค่ะหนูก็บอกเขาว่าก็ไม่ต้องไปสนใจบอกคือเขาก็มองว่าไเขาไม่สนใจไม่ได้เพราะเขาโดนครูว่า ท, ทั้งที่เขาไม่ได้ทําความผิดหนูก็บอกว่าอ้าวั้งนี้ก็ บอกครูแล้วก็หนูก็มีหน้าที่คอยช่วยบอกครูอีกทีหนึ่งแต่ว่าหนูก็บอกเวลาเขาใช้คําพูดที่ไม่ดีก็ทําหูทนลมไม่ต้องไปสนใจเหมือนแบบเหมือนที่เหมือนในหนังพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเขาให้ของขวัญเรามาแล้วแล้วเราไม่รับอะแล้วขวั น, นั้นจะไปอยู่กับใครครับไปเอาเขาอืม้าเขาพูดไม่ดีมาเราไม่รับสัอย่างแบบว่า แต่พอย้ายมาห้องดีก็ห น, นีเสือประจระเข้เองค่ะอืมก็อย่าไปหนีต่อไปนี้ก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเฉยเฉไปพอหนีไปก็เจ อ, อแค่อีกคนหนึง่งหนูคือหนูไม่ไม่ชอบเขามากเลยอ่ะคือขนาดเวลาเรียนนะครับหนูแค่แบบทำทาหน้าบึ้งใส่เขาใช่ไหมคะเขาก็ทำทาเป็นแกล้งหนูว่า อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้เขาเขาแกล้งหนูตลอดเลยอะคะ่ะไม่ไม่หยุดเลยอะคะ่ะ <c oughs> หนูแค่หนูหนูก็เลยแกล้งเขากลับโดยการยกมือเขารีบหันไปเลยแล้วพอรอบสองเขาทําอีกหนูยกมือเขาไม่หันไปใช่ไหมเพราะเขาไม่กลัวแล้ว <c oughs> หนูก็เลยบอกว่า <c oughs> ที่เชอร์รีบหันไปเลยะครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องเด็กเดก็เมื่อกี้ที่จัด ถามหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาอยู่คนละศาสนากับหนูหนูควรจะทํายังไงก็ต้องให้ความเมตตาทุกคนนะไม่ว่าจะรับนับถือศาสนาไหนเราก็ต้องให้อภัยเขาอย่าไปโกรธไปเกลียดเขาแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เขาไม่ได้เราก็อยู่ห่างๆกันไปแต่ถ้าหลีกไม่ได้ต้องเจอกันก็เฉยๆไปทําใจเฉยๆไปเขาจะพูดอะไ ร, รก็จะทํำอะไรเราก็เฉยๆไป เห็นแล้ค่ะให้หลวงตาสอนอีกทีเห็นึ่งนะหลวงตาจะได้เอาคําพูดหลวงตามาบอกลูกอีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยหลวงตาก็ยืนยันนะคําพูดอย่าไปโกรธเขาอย่าไปทําร้ายเขาคนนี้ไม่ทําร้ายเพื่อนคนนี้มีแต่เพื่อนเพื่อนเกถ้าอยู่ห่างเขาได้ก็อยู่ห่างกันถ้าม<ำ>ีทําทํำเขาถ้าอยู่ห่างกันไม่ได้ก็พังพุทธโธพุทธโธไปฟ่งฟังหลวงตา หนูก็มีทําเขากลับบ้างนะครับก็เขาเขาทมเขาแกล้งแกล้งหนูหนูวิ่งไล่เขาเขาก็เขาก็วิ่งหนีแล้วเขาก็หัวล้อใส่หนูว่าหนูจับเขาไม่ได้เด็กน้อยจริงๆเลยลงเอาอะไรมาถามลงตาเนี่ยคงจะอึดอานมากและอยากจะ อาจจะรบายไม่รู้จะไปพูดกับใครดีพูดกับแม่เยอะแล้วแม่ก็บอกให้อภัยให้อภัยอย่างเดียวไม่อภยัยเขาเหลือแค่เขาก็ก็บอกไม่รู้เขาจะไปสอนเพื่อนอยังไงเพราะเาสอนธรรมะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเธอไม่ต้องมาสอนฉันเลยอะไรนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังอืเขาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงบอกก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าโรงเรียนก็ต่างชาติเยอะก็เลยกลายเป็นว่ามัน หลายศาสนานะคะเราไม่สามารถจะไปไปสอนเขาได้ขนาดเขาเรียนเรียนพุทธศาสนาสังคมเด็กเขาก็ยังไม่เชื่อบาบุญอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าก็ไม่ต้องไปสนใจเขาอะไรเงี้ยเราเชื่อเราเห็นของเราแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เราเห็นและ้ะเราเร า, เราทําความดีเราก็จะดีเองอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าถ้าเราทําไม่ดีเราจะเจอ เราจะเจออะไรบทลงโทษอะไรที่ในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วถ้าเราทำความดีเราจะเราจะได้รับสิ่งใดตอบแทนอย่างนี้เข้าใจไหมลูกฟังหลวงตาหลวงตาบอกให้พุดโทช่ไหมครับแกล้งหนูด้วยครับคือเขาจะคื อ, ม, อ, อมันเยอะมากเลยอะครับโอเคเอาแต่นี้ก่อนนะ หลงตาจะได้ไปคุยกับคนอื่นต่อค่ ะ, ะกลับขอพัยนะคะอ๋อไม่เป็นไรคนระับเรื่องโลกแตกใช่ค่ะถ้าบอกให้ยอมหยุดเย็นไม่ได้ก็ไม่จะพูดยังไงนะใช่เขาก็พยายามหยุดแล้วค่ะแต่ก็ก็ฟังหลงตานะหลงตาบอกให้พูดโทนะคะขึ้นการนมัสการค่ะสาธุ กลับไปได้คลืนออนอานงเจน่อยออนอนบบานงความรมรส ก, การครับพระอาจารย์ไม่ได้เข้ามาหลายสัปดาห์เลยโอ ย, ยุ่งยงุยุ่งทาง<ป>โ ล, ลไปอยู่ป่ามาด้วยครับพระอาจารย์เพราะว่ามีครั้งหนึ่งคือจริงๆตอนแรกจะไปที่เขาแล้วก็คิดว่าเอออยากไปอยู่ที่ที่สั ญ, ญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึงก็เลยเลือกไปทางวัดทางอุดอรนะคะจะมีวัดหนึ่ง โยงใครไปทำบุญถ้าไม่ยากเย็นนะักก็ไม่อยากมีทัวร์สามมันก็จบแล้วอยู่ที้ไหนก็ได้ <c oughs> มไม่อยากโกหกเลยพระอาจารย์เขาบอกว่าทำไมไม่ติดต่อไม่ได้อันนี้บอกได้ว่าก็เป็นมือถือไปตอนนี้เราใช้มือถือชั่วคราวสงสัยจะแบบนั้นน ะ, ะก็เลยลองแต่อยากลองว่าถ้าเราไปอยู่ในที่มีเวทยิ่งขึ้นเป็นยังไงแต่ครั้นี้พอไปตรงนั้นเนี่ยความที่วัดท่านก็เออพระอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนวัจานก็เลยต้องเอาเอาเราลูกน้องไปเป็นเพื่อนคนหนึ่ง เพราะว่าเพื่อไม่ให้สามีกังวลก็เลยเรียนรู้มาอีกอย่างว่านี่แหละพอเรามีคนไปด้วยนะพระชันมันเป็นภาระาเป็นพลุงพลังมากเลยพระชัน<ม>ใช่เป็นภาระค่ะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้อาจจะยังปฏิบัต<ม>ิเหมือนเรา<ม>ใช่<ม>ค่ะเราก็เลยกลายเป็นความเป็นห่วงไปอีกแบบก็เลยเหมือนว่าสถานที่ดีวิเวททุกอย่างแต่มันเลยเกิดเกิดความกังวลขึ้นมาอีกแบบหนึ่งแทนเขาต้องพูดตีกับอีคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่ง ใช่ครัอบอาจาร ย, ย์ก็เลยก็เลยก็เลยได้เห็นว่าไม่ได้คือมันไม่ได้ฉลิตเราด้วยที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องจริงเราสามารถอยู่คนเดียวได้พอมีอีกคนมามันเลยทําให้เราต้องคอยคุกครีเวลาปฏิบัติเราก็ถูกกินไปด้วยการที่เราต้องคอยไปคลุกครีหรือเป็นห่วงเขา อ, อย่างนั้นอ่าก็เลยห็นว่าก็เลยตกลงเลยว่าจริงๆก็นั่นแหละ บัดยานเนี่ยสงบนะถึงแม้ว่าจริงๆเข้าทุกอย่างเข้าถึงได้อะ่ะเออว่าจริงๆเขาชิออนนี่คือสงบมากสําหรับสำหรับโยมคือ mm hmm. เลยได้สอบว่าก็เลยมาคิดว่าเนี่ยเมื่อกี้พระอาจารย์บอกเลยว่าสงสัย ห, หน้าก็ใช้ปิดโทรศัพท์เอาเพราะสถานที่คือดีมากค่ะคือถึงแม้ว่าตอนแรกยังคิดว่าอยากลองอ่ะตัวเองก็อยากลองเท่านั้นเองว่าเออถ้าเราไปอยู่ตรงป่านั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมไหมายความว่าด้วยความวิเวกของมันที่สถานที่ดีมากแต่พอมันมีคนอื่นเนี่ย มันเลยกลายเป็นมันเลยกลายเป็นนั่นแหละปัญหาทั้งของการปฏิบั ต, ติอีกแบบหนึ่งกันก็น้อ ง, องผิดน้องถูกดูใ่ค่ะเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไปอ่เรียนรู้ไปใช่คแต่ก็แต่ก็ดีก็ก็ได้อีกแบบหนึ่งหมายความว่าเราก็อ่รู้แล้วแบบนี้ที่เราคิดเองว่ามันน่าจะดีแต่มันกลับกลายมีอย่างบางอย่างมาเป็นสิ่งเหนียวรั้งเรา อเทียบกับอีกสถานที่นึงซึ่งอืจริงๆเราอาจจะคิดว่ามันไม่วิเวกเพราะโทรศัพท์มือถือเข้าถึงแต่กลายเป็นว่าเราปฏิบัติได้ดีกว่าเพราะเราไม่ต้องมีความกระลุงพลังของคนอื่นใช่ใช่ค่ะก็เลยอันนี้ก็ไปห้าวันแล้วก็ไปห้าวันเลยอาจารย์เพราะตอนแรกแต่ก่อนยังไม่กี่วันแล้วนั่นคือบอกบอกทุกคนว่าจะหายไปอยู่ป่าห้าวันห้ามยุ่งอืมแล้วก็ก็ดีเพราะตั้งใจว่าอยากจะดูว่าเออถ้าวิเวกห้าวันน่าจะน่าจะพอพอได้ได้อะไรบ้าง ใช่ใช่ค่ะ น, นี่ก็นั่งไปแล้วก็มีอีกเซสชั่นหนึ่งก็พอดีว่ามีโอกาสพบกับพระอาจารย์อังคารท่านจะมีเอกลักษณ์คือถ้าจะสนทนาธรรมหรือปฏิบัติธรรมกับท่านท่านจะให้เริ่มด้วยกันนั่งสามชั่วโมงโกนเลยท่า น, นบอกว่าเอาให้เห็นทุกข์กันก่อนก็ก็ท้าทายดีครับพระอาจารย์นั่งสามชั่วโมงพอสักสองชั่วโมงครึ่งก็นั่งได้นะพระอาจารย์โยงก็แปลกใจว่าเวลาแบบอยู่กับ ครูบาอาจารเนี่ยเราก็เหมือนบาที่มีกําลังบางอย่างนั่งไปจนถึงสองชั่วโมงครึ่งจริงๆนั่งต่อก็คงได้แต่มันมีอาการแบบเหมือนมันเหมือนจะให้เราต้องลืมตาไม่ใช่ขยับนะพราะฉรย์แต่เหมือนว่าเหมือนตาเราเนี่ยมันจะขยับมากคงสติจะไม่มีกําลังแล้วคิดว่าอย่างนี้ Mm hmm. คือมันจะให้ลืมตายยังไงก็จะต้องลืมตาขึ้นมาให้ได้คือเราสู้กับการที่แบบเราแบบเราไม่ไม่อยากลืมตานะแต่มันพยายามบอกว่าให้ลืมตาขึ้นมาอาจจะอยากดูเวลาหรืออะไรสักอย่างแหละยูไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเหมือนเราสู้มไม่ได้ในสุดก็ลืมตาขึ้นมาก็ได้แต่ไม่ขยับพอลืมตาขึ้นมาสัหน่อยนึงก็ดูอ๋อผ่านไปสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็เลยอะนั่งต่อก็คือไม่ไม่ได้ขยับมากแต่อาจจะเคลียบนิดหน่อยก็ฟาไปเหมือนกั น, นแล้วอาจารย์ ยับนิดนึงแล้วก็น่าไปอีกได้ครึ่งชั่วโมงจนจนครบสามชั่วโมงแต่เนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนสองชั่วโมงครึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงอยากลืมตามากขนาดนั้นคือมืนมันสู้สู้กับความที่แบบอย่าเพิ่งลืมตานั่งไปให้สงบจนช่วงมันไม่ไหวนะก็เลยคิดว่าสัวใช้สติกําลังจะไม่จะหมดแล้วตอนจังหวะนั้นเพราะงั้นเรใช้อาศัยคำบริกรรมได้อยากจะนั่งต่อ มันท่านอยากไม่อยากจะทําตามความอยากเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเราต้องทำงานที่คิดเหนี่ยวเนีนต่ต้องอย่างไงคนน่นาจะต้องลองให้แบบคือแต่ก็ ก, ก็ดีคือแบบก็เอก็เฮ้เห็นว่าเออเราก็สู้กับมันมาพอสมควรอ่ะ ก็เนี่ยก็เลยว่าโอ้ยอย่างที่ว่าที่แล้วจะถ้ามีโอกาสได้เข้ามาเล่าให้อาจารย์ฟังส่งงานกับท่านมาเพราะอาทิตที่แล้วยุ่งติดเดินทางระหว่างอยู่ในรถก็เลยไม่อยากจะเข้ามาว่าเดี๋ยวมันจะขยับขยับเหมือนทั้งก่อนนู้นอีกนอ่ะแต่วันนี้ตั้งใจมากแต่ว่าหายไปหลายสัปดาห์แล้วขาดเรียนไปหลายสัปดาห์กลับเข้าห้องเรียน่ก็เลยอะไรไงก็เลย เนี่ยไม่ได้มารายงานพระอาจารย์ว่าไปอยู่ป่ามาขึ้นไปวัดป่ามาแต่ปรากฏว่าสงบสู้ตอนไปเข่าชีโอนไม่ได้เพราะามีคนไปด้วยก็เลยต้องเกี่ยงเนื่อกันงนั้นเนี่เหรอก็เลยก็ดองรองปิดน้องถูกดู่แน่้ว่อะไรถูกอะไรไม่ถูกใช่ค่ะประสบการณ์ดีบางที่ขอวเราอาจจะไม่รอบครอบพออาจจะคิดไม่ถึงบางเรื่องบางอย่างใช่ค่ะใช่พระอาจารย์คือเราก็ ไม่ได้คิดว่าทีอเราก็คิดว่าเออเขาน่าจะพอน้องเขาก็ดูตั้งใจอยาจจะไปแต่พอไปเนี่ยความที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเงียบขนาดเนี้คุณอาจารย์วันที่สองเขาก็เริ่มงงเงยอยากจะกลับบ้านเอาก็มีโยงก็ต้องไปฝากชาวบ้านให้ช่วยหากิจกรรมให้เขาทำที่อย่างน้อยอยังดีชาวบ้านเขาก็อไม่เป็นไรเดี๋ยวพาเขาไปเก็บเห็ดไปอะไรเราก็ให้ฝากหน่อยแล้วกันเพราะช่วงนี้เราก็จะได้ปฏิบัติไป ก็บอกอ่ะก็ดีอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามาเรียนรู้อยากอยากลองก็ดีเกแต่ก็รู้ว่าถ้าเราตัวเราเองหมายถึงน้องก็ยังไม่พร้อมเราก็จะรู้ว่าหนหน้าเออเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้ถ้าอยากจะมาปฏิบัติกอะไรอย่างเงี้ยอพราะมันจะเงียบ ม, มันไม่ได้มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไปปีนเขาอะไรอย่างนั้นอืมนั่นนสิ่งที่ดีแต่ก็เอาผิดคนไปถ้าคนชอบพอนะไปก็คงยังไม่มีปัญหาเลยจริงตั้งใจเอาอีกคนพระอาจารย์แต่เขาเรียน สามีท้องเสียพระอาจารย์ยมเลยต้องยอมเลยต้องน่า <c oughs> ห่วยคนไปแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสบายใจของสามีก็ต้อ ง, ต, องต้องเขาบอกว่าเขาอยากมันกับเราไปอยู่วัดป่าคนเดียวอย่างนั้นครั้งแรกแล้วที่วัดนั้นจริงๆเขาไม่ได้มีปฏิบัติเป็นกิจวัตรเหมือนอันเนี้ยพระอาจารย์เราเราพอจะรู้จักพระอาจารย์ท่านก็เมตตาว่าเอามาได้เพราะมีกุฏิให้อยู่มีอะไรเราก็ไม่อยากจะเออเป็นผู้หญิงคนเดียวไปก็กลัวเจอ ทางวัดก็จะกังวลสามีก็จะกังวลก็เลยพาน้องไปด้วยอย่างเงี้ยอเออฟังอย่างเงี้ยก็เลยมาแล้วเฮ้ยพระอาจารย์ฟังโอเคการจะปฏิบัติแต่ครั้งนี่มันก็มักจะมีนิ้วมีปัญหากีดขวาอยู่พอสมควรนะ ใ, ใช่ทดสอบแต่ว่ากังใจไปพระอาจารย์ถ้าไม่มีความแน่วแน่นก็อาจจะโน้มเหนวใช่ว่ะอาจารย์หน้องยงบเางแต่ว่าก็ ตั้งใจอาจา ย, ยังไงยงก็ล่แ น, แน่ๆยงคิดว่าเออาโหหน้ากลับมาทีโอแล้วก็อยู่ห้าวันอย่างนี้แหละก็น่าจะแต่ก็หลังๆก็เหมือนจะก็เข้าสมาธิได้ได้ได้เร็วขึ้นอีกนิดนึงเพราะระหว่างวันก็นคำสอนพระอาจารย์คือยงก็จะมีเวลาก็จเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้คิดไปนู่นไปนี่เขานั่งมันก็เงียบสงบได้ง่ายหน่อยโอเค มีอะไรไหมรักอาจารย์วันนี้คนยังรออีกเยอะโอเคสาวทุกคนไปที่คนอุสาหิศยาหายไปไหนนักนสาวเข้าไปนอนแล้วคะ่ะอาจารย์ง่วงนอนแต่วันนี้เขา ง, งวงเขาันนี้ก็ทําทุละหลายอย่างคะ่อะอ่าโยมโยมเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะคะมีมีพี่คนหนึ่งอะคะ่ะเขาส่งข้อความมาให้โยมไม่ช่วยตีความหน่อย เป็นธรรมะของอาจารย์นะคะที่บอกว่าออหาความสุขจากความว่างดีกว่าหาความสุขจากความสงบความไม่คิดปรุงแต่งคือความว่างเหมือนกระดานดำพอเราไม่คิดปรุงแต่งไม่ขีดไม่เขียนมันก็จะมันก็ว่างเราต้องลบรอยขีดเขียนออกไปให้หมดเราใช้สติเป็นตัวลบเมื่อลบเสร็จแล้วเวลามันจะเขียนใหม่ก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปเขียนเขียนแล้วมันจะทุกข์มันไม่สุขมันไม่ว่างรักษาความว่างรักษาความไม่อยากไว ไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรให้อยู่กับความว่างไปพี่เขาส่งมาให้โยมช่วยตีความอะคะ่ะแต่โยมไม่ไม่ไม่อาจหารค่ะขอความเมตตาช่วยขยายความให้ค่ะแล้วก็โยมมั่นใจว่าเดี๋ยวพี่เขาคงมาฟังด้วยอะค่ะตีความอะไรเชาชัดเจนอยู่ตรงนั้นนะโยมพี่เ็าบอกว่าระหว่างความว่างกับความสงบนะ่มันอันเดียวกันไหมแกกลัวว่าแกจะตีความเ ข, าเขา้าเข้าเข้าข้างตัวเองอะค่ะ อ, อย่าไปตีความเลยต้องปฏิบัติให้มันเจอ ของจริงนี่ปะนั่นมันก็จะเราเองอ่าทีนี้โยมก็โยมไม่มั่นใจโยมว่าแต่ถ้าโยมฟังจากที่อาจารย์บอกว่าเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าใช่หรือไม่ใช่อืมันก็ต้องมันจะสงบมันก็มันก็ต้องมันก็ว่างถ้ามันไม่สงบมันก็ไม่ว่างใช่ไห่โยมก็เลยค่ะโยมโยมก็เลยไม่ตีความให้ค่ะแต่โยมไปก๊อปข้อความจากหนังสือจุลธรรมนําใจเล่มสี่สิบสองอะค่ะ ในการที่บอกว่าอยู่กับความว่างยมก็เลยก๊อฟอันนั้นส่งไปให้พี่เขาอะค่ะอืมก็ยมก็เลยว่ามาขามาจารย์ให้เผื่อว่าระหว่างความสงบของความว่างแต่สาหรับยมมันก็ว่ามันน่าจะอันเดียวกันนะค่ะจ้ะอันเดียวกันแต่มันต้องปฏิบัติมันถึงจะรู้จริงค่ะบอกก็มันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยรเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นในใจเราอยู่ดีเนี่ยไหมใจเราก็ยังคิดใจเราก็ยังคิดถึงความว่างความความสงบอยู่มันก็ไม่ว่างอยู่ดี ถ้ายังคิดถึงความว่าคิดถึงความสงบอยู่มันก็มันก็ยังเป็นความคิดอยู่ดี่มันต้องหยุดคิดมันถึงจะเห็นความสงบความว่างว่าเป็นยังไงถ้ามานั่งขบคิดตีความตีบรรจมวันตายก็ไม่ไม่ไม่ได้เจอของจริงหรอกค่ะประมาณว่าแกปฏิบัตินะคะปฏิบัติเยอะเยอกว่าโยมเยอะเละเป็นรุ่นพี่อาจารย์แล้วก็กลว่าจะคิดเข้าข้างตัวเองประมาณนั้นนะคะอืะถ้ายังไม่เจอความสงบก็จะไม่รู้หรอกมันก็ ให้ไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มันสงบก็แล้วกันนั่นเดี๋ยวมันก็จะรู้เองนั่นที่ติโกค่ะยมยมก็บอกว่ายมก็ไม่กล้าที่บายค่ะยมก็คิดว่ายมก็เลยก๊อปไปให้แต่ยมก็คิดว่าพี่เขาก็น่าจะใช่แล้ล่ะค่ะเพียงแต่ว่ามไม่มั่นใจเพราะนั้นเองค่ะยมก็เลยมาถามของอย่างนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติมันถึงจะมั่นใจนะ มันทุกๆเหมือนเหมือนทุเรนมันหอมมันคนจะบอกหอมมีคนว่าเหม็นเนี่ยแล้วมันก็ถูกด้วยกันทั้งคุยมันคนที่ชอบกินก็ว่าหอมคนที่ไม่ชอบกินนี่เขาก็ว่าเหม็นนี่ยต้องไปต้องไปกินทุเรียนถึงจะรู้ว่ามันหอมหรือมันเหม็นเองคนคนชอบก็หอมอะค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ ก็ดีค่ะจารย์ที่ยมปฏิบัติมาจากที่ไปขึ้นเขามานะคะจาย์มันรู้สึกว่าตัวเองกลับมาใจเย็นขึ้นเยอะเลยค่ะจาันใจเย็นขึ้นเยอะยังไม่ยังไม่หลุดเลยค่ะยังไม่หลุดเลยดีค่ะก็พยายามรักษาไว้เรื่อยๆไปนนเชิญมันจะเหมือนกับว่ากลายเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าบางทีเดินนะคะจาย์เดินเดินก็นิ่งๆค่ะเดินไม่ได้คิดอะไรอ้าเดินจะไปซื้อของเดินเฉยไปแบบนั้นนะค่ะมันกับมัน ก็ดีค่ะอาจารย์มันติดมาค่ะค่ะไม่มีคําถามแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดือนกรกฎาไปใหม่ค่ะอพยายามรักษาความสงบไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ก็ต้องพยายามทําอยู่เรื่อยๆอยู่ที่บ้านก็ลองทําต่อไม่ใช่จะไปทําแต่ที่บุญเขาอย่างเดียวกลับมาแล้วก็ต้องทําต่อทําให้มากอ่าใช่ค่ะพยายามค่ะอาจารย์บางทีออกไป เที่ยงคืนตีหนึ่งไปเดินจงกรมที่หนที่หน้าบ้านนะที่สนามหน้าบ้านเดินแต่เมื่อคืนเดินเดินไฟดับก็ตกใจอยู่ค่ะไปขนทับก็แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดินได้อยู่ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์นะอาจารย์พรหมพิรายวันนุ้กูนเป็นยังไงบ้างตอนนอนแล้วเหรอกลับนุสกรรมพระอาจารย์ค่ะลุกมาแล้วค่ะ ก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ก็เป็นหัวใจใจก็เหมือนหินเหมือนที่พระอาจารย์ได้ได้กล่าวไว้เมื่อเบื้องต้นนะนะคะพยายามมองทุกอย่างว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยการพระอาจารย์ครับก็ผ่านผ่านฉลุยค่ะอืเป็นเป็นหินทั้งคู่อ่ะมันก็เป็นของมันอย่างเนี้ยค่ะเกเหมือนดินฟ้าอากาศ การสูกเสียก็ก็มองอยู่แล้วว่าวันหนึ่งก็มาถึงนั่นนะคะอืก็ผ่านไปได้ก็สบายแม่ก็สบายดีต่อไปก็ะจกของเรานะสูงเสียของเราเองอันก็สบายค่ะจอดนี้มันอะไรกัอก็รับได้ค่ะเตรียมเตรียมศึกรอรับอยู่ทุกวันว่ามันจะต้องมาแน่ๆเหมือนเหมือนฝนน่ะมันมันตั้งเขานะ้ ยมันก็จะตกแล้วห้ามันไม่ได้ก็คุยคุยกันอยู่ค่ะทุกคนก็บอกอว่าเอ๊ะจะไปอย่างแม่เนี่ยจะทํำยังไงดีเพือ่อนๆบอกว่าโอ้ดีที่สุดไม่อยากจะไปแบบไปในตอนอยู่ไอซียูเลยนะคะ<อ>ทุกคนก็บอกคแม่ก็หลับสบายอยู่ที่บ้านเราก็อยู่เป็น เ, นเนต็มที่มดก็อย่าไปเลยอย่าไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปค่ะแล้วก็ท่าน ถ้ามันหยุดเต้นไงไม่ต้องไปปั้มหัวใจไม่ต้องอะไรใช่ค่ะถามให้ก่อนเลยไม่ต้องไปทํานะไรทรมานบอลบาๆค่อยๆมาก็อาจจะไม่ไม่สมประกอบนะก็เดี๋ยวนี้เขาทำที่ในกรรมชีวิตกันนะคะว่าไม่ไม่ไปไม่ไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่ใส่ท่ออาหารไม่ใส่เลยก็ไปแบบธรรมชาติปั้มหัวใจไม่ปั้มหัวใจหยุดหยุดก็ไปมันหยุดไปะ คุณตัวพูมีอะไรคุยไหมคะไม่มีครับแล้วคงไม่นานค่ะจะได้ไปกลับก็อาจารย์ค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะน่าจะน่าจะเร็วๆนี้น่าจะไปได้คุณหมอยืนยันว่าไปได้ไปได้นะโอเคค่ะหมอบอกทําอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้เมื่อวานนี้มีพวกคุณเพื่อนเข้ามาเลี้ยงเดะที่โรงเรียน งานกลางวันพวกเป้าเขามาเลี้ยงเดกันตลอดมาห้าคนด้วยกันแ ล, แล้วอาหารทาิ่สั่งทางโน้นทําอาหารอถึงไหมหออาทางโรงเรียนเขาทำให้เพียงแต่บอกว่าต้องการจะทำอะไรทางโรงเรียนเขาก็สามารถทำเองได้ี้ค่ะอแต่เลี้ยงอาหารก็เป็นสิ่งดีนะคะแต่มันมวันเดียวมันจบนละมีอย่างอื่นที่ทางโรงเรียน ไม่ขัดสนอะไรบ้างไหมคะที่น่าจะช่วยพออยู่ได้เขาพออยู่ได้คเนื้ออาหารมันก็มันก็เป็นโอกาสที่เด็กจะได้กินอาหารแปลกๆหน่อยถ้าเขาจะถามว่าเด็กอยากกินอะไรเราก็จะทาให้มันก่อนก็มีคนนามาเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่กันะผมก็เนี่ยที่สนใจอยู่วเด็กเนี่าจะชอบอะไรที่แปลก แต่ทางนงี้ก็สามารถทำเองได้เพราะมันมันจะถูกกอาไปสั่งก็อไกอค่ะค่ะ <c oughs> แล้วสนใจเดี๋ยวชวนเพื่อนๆ อ, อืมวันเจอจะไปเลี้ยงกันค่ะมันไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวรอรอเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกตินะอ่ะจิตใจก็เป็นหินอย่างที่พู้อาวุโว่านะคะเพราะว่าเราเราเราพิสูจน์ตัวเองได้เลยว่าการเห็นกันจากไปเนี่ย เห็นเหมือนเป็นธรรมชาติมากแล้วก็เต็มแม่แบบเป็นธรรมชาติมากค่ะก็เพียงขอให้ท่านแบบเออคือหลับไปสงบเนี้ยนะคะก็ส่งขึ้นสวรรค์ไปเลยอืมวดีโอเคค่ะงานอุปสมภกณฑค่ะพระอาจารย์นักสาทค่ะอ่านอนหลับฝันดีนะขอบคุณค่ะ คุณเน่งจ่าคุณเน่งาอาจารย์การพมรดการพระอาจารย์อ่าเช่ค่ะก็รายงานการปฏิบัติเจ้าค่ะเมื่อเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็สามชั่วโมงรวดที่พระพระอาจารย์แนะนํานะค ะ, ะแต่ว่าโยมใช้วิธีเหมือนกับว่าเอาเดินจงกรมค่ะเดินจงกรมก่อนประมาณเกือบชั่วโมงแล้วก็มาสวดมนต์นะคะ ไล่ไปทำวัดเช้าไปมงคลสูตรไปทำมาจาักสัก mm hmm. เหมือนแบบอ่ะ mm hmm. ค่ะพอได้เกือบชั่วโมงแล้วโยมก็ถึงจะมานั่งสมาธิอจาจารย์ mm hmm. มันก็มีแบบแต่โยมตั้งเวลาไว้นะคะคือสามชั่วโมงแต่มันก็มีแบบแอบบแอบบดูนาฬิกาบ้างอะคะ่ะว่ามันจะหมดเวลาลิลาหรือ ย, อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ mm hmm. โอเคอยู่ค่ะ mm hmm. มีมีเข้าถึงความสงบได้อยู่ค่ะอาจารย์ mm hmm. ต้องทำหนกักๆมันถึงจะได้ผลถ้าทำแบบเบาๆแค่ห้าครึ่งชั่วโมงนี่มันได้ผลยากกว่าเจ้าค่ะทุกทีมันจะแบบว่าเหมือนกับแบ่งเป็นแบบเขาเรียกเก็บเล็ผสมน้อยอะค่ะตอนนี้พอมารวดเดียวก็ก็โอเคแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบพระอาจารย์จะให้แบบนั่งรวดยาวเลยหรือเปล่าคิดว่ามันยังกําลังอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเจ้าค่ะอก็นั่งแบบสบายเนาะไมนั่งแบบไม่ต้องทํรมาน ถ้าเมื่อย ก, ก็ลุกขึ้นมายืนได้อะไรทำนอง น, น แ, ตแต่ไม่ให้เคลื่อนไหวก็จากจุดที่เรานั่งให้นั่งกับยืนตรงนั้นสลับกันยกเว้นว่าถ้าเราต้องการเข้าห้องน้ำํำเราก็ไปเข้าห้องน้ําส่วนมีน้ำเราก็เอาน้ำมาตั้งไว้ข้างๆที่เรานั่งตอนนี้เราต้องการสกัดกั้นความอยากที่จะไปนู่นไปนี่ทํานู่นทํานี่อะไระต่างๆให้มันอยู่เฉยสักสักพักหนึ่งเจ้าค่ะ จะใช้การสวดมนต์ก็ได้จะใช้การดูลองหายใจแล้วนั่งสมาธิก็ได้จะพิจารณาทางปัญญาอะไรก็ได้แต่ไม่ให้อาศัยสิ่งภายนอกไม่อาศัยหนังสือไม่อาศัยดูอะไรฟังอะไรเท่านั้นแต่ว่าสวดมนต์ยมอ่านเปิดหนังสือะคะ่ะอาจารย์โอเคครับบางบทมันยาวนะคะอย่างธรรมจักรเนี่ยก็สวดแบบ ส, สั้นๆเฉยๆพุทธังเสนางประชามีไปให้เนื้สัแล้วสวดไปหลายๆรอบ ก, ก็ได้ อลองเปลี่ยนเป็นว่าไม่ใช้หนังสือเลยใช่ไหมไม่ใช้หนังสือเลยเอของที่มีอยู่ในใจเราเจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวผง<ม>จะลองลองลองปรับเปลี่ยนดูเจ้าค่ะ อ, อแล้วก็ไม่มีคําถามเจ้าค่ะอาจารย์อืดีค่ ะ, ะ, คะทุกค้นต้องด้านการที่จะนึงใจสกัดกั้นความอยากตามปกติถ้าเรานั่งเฉยๆทั้งภาคาเดี๋ยมันอยากจะทํานู่นนะอยากจะทํานี่นะ เราคอยสักระดัความยากแต่ยังไม่ถึง ข, ขัน้นต้องทรมานนั่งกายแบบนั่งผัดสมาธิแล้วไม่ขยับเลยอันนั้นมันต้องใช้กำลังของสติมากล้ค่ะตอนนี้เราต้องการที่จะผ่อนคลายได้นั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้ น, นมายืนยืนเมื่อลกวกลับไปนั่งใหม่แล้วค่ะกลับขอบพระคุณทัาบอาจารย์โอเคสาธุคุณสัสสนี่เชิญ ในวันก่อนมาทำบุญใช่ไหมไกลับนมัส ก, การพระอาจารย์ใช่ค่ะพุทธที่แล้วได้ไปกลับพระอาจารย์ค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์โอเคเป็นไปที่อาจารย์สายทิพย์เชิญอาจารย์สายทิพย์ขอนแก่นนะฮะ <c oughs> กลับนมัส ก, การพระอาจารย์โต๊ะค่ะขอนแก่นค่ะ ขับรถกลับมาวันนี้วันพุธต้องมาเข้าสูมพระอาจารย์ค่ ะ, คะก็รายงานการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์สินแปดได้สองวันที่เหลือสินเจ็ดกับสินหกค่ะยังไม่ยังไม่ได้เต็มร้อยเลยอีกิวค่ะ ย, ยังไม่ได้สี่จุดนะอเอาแค่สามจุดเอาุด้าไปก่อนวันหนึ่งวันหนึ่งซื้อกับข้าวมาเพราะว่าอยู่เวรแล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะกิน วนเวียนไปวนเวียนมาสองทุ่มโชิมสักหน่อย<ม>หลุดไปเลยค่ะเด็ดเลยฮะเสร็จเลย<ม>ค่ะแต่วันนี้ได้เพราะว่าจะมาเจอพระอาจารย์กําลังใจต้องเข้มแข็ง<ม>เดี๋ยววันรายงานจะน้อย<ม>ก็พยายามอยูค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิทุทกวันค่ะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนมีวันหนึ่ง ทำสมาธิแล้วก็หลับไปแล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เลยใจมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ไม่ง่วงงั้นนั่งสมาธิต่อดีกว่าค่ะพระอาจารย์ก็นั่งไปจนเจ็บเจ็บขาค่ะเจ็บแต่ว่าใจก็เฉยๆนะคะแต่รู้ว่าเจ็บแต่ใจเฉยๆแต่จิตหนึ่งมันก็โผล่ขึ้นมาหลังจากที่นานมากมันก็ไม่หายเจ็บแล้วก็พรุ่งนี้ต้องไปทํางานงั้นเอาแค่นี้แหละตอนแรกตั้งใจว่าจะนั่งจนหายเจ็บค่ะพระอาจารย์ <S <S แต่ว่า กลัวพระมันเหมือนตีอาจจะตีสามตีสี่แล้วประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทํางานแล้วก็จะง่วงหนูก็เลยเหมือนมันน่าจะหลุดออกมาแล้วก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพักก่อนค่ะจริงๆคนคนรจะยังไงดีครัพระอาจารย์แต่ว่าสตว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานแล้วก็ก็คงจะง่วงอะไรอย่างนี้ยค่ะก็มันก็เรายัาง มีภารกิจมีก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพของ <S <S ของเราบาทีจะไปดันทุรังปฏิบัติอย่างเดียวมันก็มันก็อาจจะทำให้การไปทำงานมันอาจจะเสียเสียได้ไปทำแบบนอนนอนดับไม่พออะไรก็พยายามรับว่าสภาพคิดเรนมียังมีคิดขีดจากัดอยู่ไม่สามารถที่จะทำให้มันได้อย่างเต็มที่เหมือนกับขึ้นทางด่วนเนี่ย ตอนนี้เรายังขาบรถอยู่ใต้ทางด่วนอยู่กต้องเจอสีแยกไฟแดงต้องเจอรถติดแล้วหยาบๆเบกเบกแล้วหาโอกาสไปขึ้นทางด่วนเอไปปีนิเวศอยู่ที่ไปไปอยู่ที่วัดหรือที่ไหนที่เงียบที่ไม่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทํางานเลไรอย่างนี้อืมควรจะไปบ้างใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าอถ้าต้องการให้การปฏิบัติหนักเข้มข้นขึ้นก็ต้องก็ต้อหาที่หาเวลา ตอนนี้กำลังแผนน่าจะต้นปีหน้าน่นาจะได้ปลูกบ้านสวนค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ที่จะไปอยู่คนเดียวแต่คุณพ่อทำเป็นบ้านเลยค่ะก็น่าจะห่วงเราแต่ก็ให้เราไปอยู่คนเดียวค่ะแต่พ่อก็ถามว่ า, าเราจะเบื่อไหมเนาะไปอยู่จะเดี๋ยวจะไปทางานไหมก็เลยว่าถ้าถ้าไม่ปลูกบ้านก็จะไปบวชแล้วนะพ่อก็ถ้าไม่ปลูกบ้านนะี mm hmm. น่หนูไปบวชนะพ่อก็เลยปลูกบ้านแล้วกัน mm hmm. ไม่งั้นก็ไม่ได้ทําค่ะพระอาจารย์ได้าอยู่บ้านนี้พี่น้องก็เยอะเดี๋ยวเจอกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าจะได้ทําใช่ควรจะมีที่ของเราถ้าเรา<ช>ได้ปฏิบัติอยู่ตามลําพังไม<ช>่ต้องต้องปลีก์วิเว่ค<ช>ือต้องอยู่ตามลําพังคนเดียวเราคิด<ช>ว่าถ้าไปอยู่ที่นู่นคงจะตั้งใจให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์เราค่อย<ช>ค่อยค่ยคยลดงานในอนาคตให้ลดเหลือน้อยลงแล้วก็ถ้าเผื่อไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็ ก็อาจจะค่อยๆหยุดค่ะใช่พยาามเพิ่มการเพิ่มเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่พยายามกับพระอาจารย์ค่อยๆก้าวไปทีละหน่อยค่ะเนี่ยอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้ก็แล้วกันนะสามากถทำได้ก็ค่อยทําไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็เห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเลยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยยิงเข้าใจมากขึ huh, ้นมากขึ้นแล้วก็ยอมรับได้มากขึ้นค่ะเดอไม่มีคำถามค่ะสาธุสาธุครับคุณหมอสุทัศนเสนเป็นยังไงมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะน้มัสกัดดันผาจาย์เจ้าค่ะอ่าอย่างั้นไปที่คุณหมอภาสนาเจ้าคุณหมออ่ากลับน้มัสกัดผาจาย์ค่ะ ก็โชคดีมากค่ะพระอาจารย์ตอนที่ที่แล้วก็ได้พาคุณพ่อไปที่บ้านเกิดนะคะก็ได้เตรียมโชคดีได้เตรียมคุณพ่อไว้ว่าเอออาจจะไม่เจอบ้านน้าอะไรอย่างนี้เป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราไปค่ะก็ไปถึงก็จริงๆก็ไม่มีเลยเลยเตรียนเลยพระอาจารย์เพราะว่าผ่านไปนานเพราคุณพ่อไม่ได้กลับไปเลยนะค่ะนี่กลับไปก็ก็ได้เตรียมไปแล้วก็โชคดีมากเลยค่ะก็คือได้ไปวัดเชียงที่เรียนพระ อ, อาจารย์เอาไว้เจอหลวงพ่อด้วยค่ะตอนแรกกะว่าถ้าไปไม่เจอไม่เป็นไรก็ไปทำบุญพาคุณพ่อไปทำบุญบวกเจอหลวงพ่อก็ ใจดีใมตามากเลยก็เทให้หลงพ่อฟังด้วยก็เทแล้วก็เทให้ตัวเองฝังด้วยเรื่องพระอริยะในบ้านอะไรย่เงี้ยเทเหมือนพระอาจารย์เลยค่ะแล้วก็ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ได้บอกว่าเออเนี่ก็ได้ก็คือหลวงพ่อบอกว่าให้มาไปที่เนี่ยมีที่ปฏิบัติพรตัวเองก็บอกว่าตนเองปฏิบัติอยู่เลยแต่บอกว่าเนี่ยพอเดี๋อยู่ลำปางมันค่อนข้างไกลนะคะแต่ว่าปฏิบัติต่อพระอาจารย์สุชาติท่านก็เลยบอกอุ้ยดีเลยเนี่ยเกาะพระอาจารย์สุชาตาไว้เลยเนี่ยหลุดได้เลยหลุดออกได้เลยก็เลยยิ่งปฏิบติมากเลยอาจารย์ กลับมาก็เริ่มีกําลังใจเลยพระอาจารย์เกาะวัอาจารย์ติดแต่เดี๋ยวที่หน้าไปเยี่ยมลูกก็จะไปไปอยู่วัดนะคะวัดหลวงพ่อสามดงที่โคราชเพราะว่าไปเยี่ยมลูกะคะ่ะตอนนี้คือแบบไปไหนก็พยายามขอะวัดไว้ก่อนเลยพระอาจารย์ไม่ให้หลุดออกจากวัดนี mm ่ต้องขอบพรคุณพระอาจารย์แล้วก็เตรียมตัวคุณพ่อก็ได้ฟังเทปก็โอเคเลยค่ ะ, ะอาจารย์อื mm hmm. ก็ตัวเองก็รู้สึกดีนะคะค่ะทำต mm hmm. ลอดพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะ ค่ะตุ๊จะาไอทีเอวคุณนิสากลานมรด ก, กกรังค่ะพระอาจารย์ก็มารายงานค่ะเป็ไนไงมีชา<อ>ร์จเล่นท่าไหรชาร์จเล6ชั่วโมงอีกเปล่าทำค่ะแต่ว่าพอาาดีเวลามันไม่ได้ค่ะสาร์าทิต์ที่ผ่านมาได้จำกัดเวลาได้แค่4ชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ก็ได้ทั้งสองวันค่ะแต่ว่ า, อาพอรู้ตัวว่าไม่สามารถทำได้6ชั่วโมง ก็เลยตั้งแบบตั้งกดเข้มนิดนึงค่ะพระอาจารย์ว่าแบบ<ม>คือต้องนั่งให้แบบไม่พยายามให้ไม่ลุกค่ะคือพระอาจารย์ให้แบบนั่งให้นานที่สุดเท่าที่จะทนได้ค่ะพระอาจารย์ก็<ม>คือถือเหมือนกับว่าขอทําสมาธินานๆสมาธินานๆไปเลยค่ะก็ด<ม>ีดีค่ะดีมากค่ะถ้าเราไม่มีมาตรการแบบนี้ใจเราก็จะโลเลเนี่ยแลต้องสติสตงังันจะไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่ แต่พอเรามีชาแนลแบบนี้มันต้องมันต้องตั้งสติไว้แล้วไมงไม่งั้นมันนั่งไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์คิดว่าจะทำบ่อยๆอะค่ะพระอาจารย์อยากจะทำทุกอาทิตย์อาทิตย์ละวันสองวันคัเท่าที่เป็นไปได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่วย่ไม่ไมสไม่ไม่ไม่ไม่มากมึ้น่ไ่ไ่ะม่ไ่ไม่ไม่ไม่าม่ไม่มันรู้ว่าม่นเหม่ไม่ไม่ไม่ไม่รม่ไม่ไ่ไ่าไม่ไม่ไั่ม่มไม่ไม่ไม่่ไม่่ไมม ก็ยังคิดว่าถ้าถ้าถ้าทำไม่ได้หกก็ขอเป็นสี่แต่ขอเป็นสี่ที่เข้มข้นนะคะอาจารย์เก็พยายามแบบอยู่ให้นานที่สุดนะคะไม่มไม่อยากจะลุกไปเลยะคะ่ะแต่เดี๋ยววันนี้ก็คิดว่าถ้าหลังจากจบตรงก็ว่าจะทำแต่แต่ขอทานข้าวก่อนนะคะอาจารย์เอาเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาพาราดนังนั้้มันเรียบน้อยก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลา<ต> ค่ะอขาจารคงจะได้สี่หกนี่มันต้องแบบต้องไม่มีคนอยู่แฟนต้องไม่อยู่แบบทั้งวันอะไรค่ะเพราะลำบาก น, นิดนึงค่ะอาจารย์เป็นคําบว่า อ, อันนี้เขารู้เปล่าอาจะรยนั่นงทำสีชั่วโมงเขาเขารู้ค่ะเขากลับมาเขาถามแล้วเขาเหมือนกับหกชั่วโมงเลยเหรอทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยทําได้ยังเขาเหมือนไม่ค่อยเชื่อค่ะอาจารแล้ววันนี้วันนี้เขาก็ออกไปตีกรอบตอนเช้าเราก็ดีใจแล้วเขาก็เขาก็ถามว่าจะทําอีกไหม ลูกก็บอกว่าทําค่ะอาจารย์บอกว่า ừ, เขาก็บอกว่าเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาแบบซอมกรอบอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงเงี้ยได้ไหมลูกบอกไม่ได้มันต้องอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทําอะไรเลยไม่ทำอะไร<อ>ไม่ทา อ, <ม>อะไรเลยเขาก็เขาก็สงสัยว่าทําได้เหรอเขาก็อยากจะรู้อะไรเงี้ยแต่ว่า <ừ. S 2> เขาบอกว่าทําไมเวลาที่เขาอยู่ทําไมไม่ทําบอก มันไม่ได้อะคือมันเราเจะกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแต่ไม่ได้เคยลองนะคะก็อยากจะลองอยู่เหมือนกันก็คือเราเกรงใจเขาค่ะพระอาจารย์ก็คือแบบถ้าเราจะต้องหายไปหกชั่วโมงเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราเกรงใจเขาว่าเอ๊ะเราเราจะแบบเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้ว น, าน่าก็อาจจะลองดูเดี๋ยวลองคุยกับเขาลองถามดูว่าถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยเขาเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าโอเคก็ดีค่ะอื แล้ววิธีนี้ตอนตอนที่วิธีที่พระอาจารย์ทำหรือพระอาจารย์ทําก่อนที่พระอาจารย์จะบวชใช่ไหมคะใช่ก่อนจะบวชนะ<อ>ั้นก็อลองผิดลองถูกที่ไปเองเห<อ>็นว่าเราถูกความอยากคอยคอยเป็นเจ้านายสั่งเราอยู่นีก็เลยอยาก<อ>ก็สู้มันทั้หน่อยตอนที่ <c oughs> อยู่กับหลวงตา <c oughs> ที่พระอาจารย์บวชแล้วไม่ได้ไปทำแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้ทำ <c oughs> แล้วตอนนั้นจะนั่งแบบนั่งแบบนั่งขัดสมานั่งนั่งนานๆไปเลย อ๋ อ, อค่ะอาจารย์<ด>ตอนที่ตอนที่ใหม่ๆตอ น, นย้ยังยังเพิ่งเผยแพรอยู่ยังก็เลยคิดดูบานนี้ขึ้นมาเองอือค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็ก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าพอมันทำแล้วมันมันก็ทำให้เราแบบมีสติมากขึ้นนะคะอ า, าจารย์จับ กดความอยากไวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ว่านตการนี้มันบางครั้งเวลาเราใช้สติมันจะอยากสู้กับความอยากได้ค่ะอาจารย์ดีําต่อไปเรื่อยเรื่อยเราสังเกตดูว่าต่อไปกําลังสติเราจะมากขึ้นความอยากามันจะน้อยลงไปค่ะก็รู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจนิดนึงก็คือเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีเวลากับให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเพราะปกติ คือตอนเช้าก็นั่งสมาธิตื่นเช้านั่งสมาธิอยู่แล้ว<ม>แล้วก็ตอนกลางคืนก่อนเย็นก็นั่งสมาธิอยู่แล้วแล้วก็ อ, อันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็รู้สึกเออเราก็ก้าวหน้าขึ้นนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวต่อ ไ, ไปมันก็จะสามารถนั่งได้นานขึ้นนั่งคสัมมาได้นานขึ้นด้วยต่อไปค่ะจาก็ก็จะพยายามให้มากที่สุดค่ะอาจารย์ น้อมนำปฏิบัติค่ะค่ะอาจารย์สอนถูกค่ะไปที่กนมาเลเชียนวัาฏาก็ทำรข้หลงพ่อข้าก็ปฏิบัติปฏิบัติทุกวันค่ะหรงพ่ออันนี้ก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆว่างเมื่อไหร่ก็ทำเพราะยังต้องทำงานอยู่ใช่ค่ะก็ แต่ว่าใจก็ยังรดจ่ออยู่อะค่ะหลวงพ่อว่าเออปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วต้องยังไงต่อต้องคือพยายามเหมือนไม่มันจะไม่อยู่นิ่งอะค่ะหลวงพ่อจะพยายามเก็บไปเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วหนูขอถามนิดนึงกําลังของอสมาธิอะค่ะกับกับปัญญาเนี้มันต้องห้าสิบห้าสิบใช่ไหมคะหลวงพ่อมันถึงจะโอเคอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมันต้อง คือต้สมาธิต้องได้เต็มร้อยก่อนอแล้วค่อยไปทําทางปัญญาคือเราต้องสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการทําใจให้นิ่งเฉยได้ตลอดเวลาโด้วยสติคือนูคือหนูหมายถึงว่าถ้าเราได้สมาธิแล้วค่ะแล้วแล้วเออ่ทางปัญญาอันเนี้ยค่ะมันมันก็ต้องได้ร้อยเหมือนกันหรือว่าก็มันก็ต้องได้ขณะที่เราหยุดความอยากได้ทํำไร ทำลายความทุกข์ทำความอยากที่เกิดจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ต้องต้องเห็นใจรักอันนี้ต้องปัญญาจะต้องเห็นใจรักตลอดเวลาเวลาไปทุกข์กับใครว่าเราเราลองไปทุกข์กับของที่ไม่เทีย่ยมของนี่ไม่มีตัวตนเรายังหลงอยู่เรายังคิดว่ า, เ, าเป็นเป็นนูน่นเป็นนี่อยู่ความเขากเป็นแค่ดิน น, น้ําลมไฟเนี่ยต้องปัญญามันต้องทัน มันยังจะหยุดความอยากไหยุดความโหใหญ่ได้อะไรได้เราไม่ถ้าเราเห็นว่าเป็นดินน้ำลงไฟเราก็ไม่ต้องไปห่วงก็ยังได้แต่้าเราไปเห็นว่าก็เป็นคนเป็นสมมุติเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่อะไรเก็อดที่จะห่วงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่เป็นปัญญาอนั้นเป็นกิเลสเป็นความหลงถ้าเห็นก็เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นความหลงถ้าในระดับวิปัสสนานะเปรียบเทียบ ค่ะแวเวลาไม่ปรัชนาไม่ต้องเห็นแทบเป็นแค่ธาตุมันเย็นน้ำลงไปค่ะอรเห็นว่เป็นธาตุเขาก็จะไปไปทุกข์กับธาตุทำไมไปทุกข์กับดินทำไมไปทุกข์กับน้ำทำไมไปทุกข์กับลมทำไมก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่ไม่ไม่ทุกมันมีแต่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นคนมันไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องคือเรามองว่าเป็นธาตุไปใช่ไหมมันเยินน้ำลงไป เวลาคนตาลมักลายเปน็นไหก็เหลือแต่ธาตุดินเนี่ยเผาเสร็จเจอแต่ธาตุดินอ่า น, นา้องเทา่ทาลมธาตุไฟก็ถูกแยกออกไปจากโ ด, ดยการเผานี่นะเข้าใจแล้วค่ะแต่การพิจารณาก็แล้วแต่จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของเราแล้วก็อยู่ที่ว่ามันฟุง้งหรือไม่ฟุง้งถ้าพิจารณาไปถึงขั้นหนึ่งที่มันฟุ้งมัน หรือว่ามันมันมันเหนื่อยไม่อยากจะพิจารณาก็หยุดเข้าไปเข้าพักในสมาธิอันนี้แล้วแต่อาจจะไม่มีรายตายแต่ว่าต้องห้าสิบห้าสิบอาจจะบางครั้งบาเวลาพิจารณานักหน่อยถ้ามันพิจารณามันเข้าใจมันเห็นชัดเห็นชันมันมันก็อาจจะตัดได้ได้ไวได้ไวขึ้นแต่มางครั้อาจจะพิจารณาได้นานขึ้นบางทีมันก็พิจารณาไม่ออกก็ชอบเสิร์ฟไปคิดเรื่องอื่นแทนก็กลับไปเข้าไปในสมาธิดีกว่า แล้วแล้วแล้วแต่แล้วแล้วแต่เหตุการณ์ใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วแต่การการทำงานของเราบ า, บางวันมันก็อาจจะได้ผลดีมันก็อยากจะทำมากเน่อยบางวันได <สะ S 1> ้ผลไม่ค่อยดีเนาะ<ส>เดียวเวลาก็เลยพักไปพักิตดีกว่าไ่พักจิตดีกว่าเข้าใจแล้วค่ะแต่มันก็ต้องต้องทำทั้งสองอย่างสลับกันเห็นแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันแม่อาจจะไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรแน่นอน บางทีอาจจะนั่งให้มันสงบให้มันมากๆขึ้นียงประานั่งที่ว่าเราจิตเราฟุ้งมากลากเกินนั่งให้มันนานๆให้มันสงบนานๆก่อนแล้วค่อยออกมาทางปัญญาต่อก็ได้ค่ะถ้าถ้าคือท่านสมมุติว่าพิจารณามันมันเยอะเยอะกว่าที่เรานั่งสมาธิอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อคือมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แสดงว่ามันมันฟุ้งมันก็ต้องไปพักเข้าไปพักถ้ามันรู้ว่ามันฟุ Together, ้งก็ต้องพัก ถ้ามันเกล้ว่ามันไม่ฟง้งมันยังมันมันยังทํำให้เราเห็นอะไรกระจางขึ้นมากขึ้นชัดขึ้ น, ช, นชัดขึ้นแล้วก็พิจารณาได้เช่นปฏีพิจารณาสุภาษียเงี้ยนิวรการสามสิบสองเงี้ยยังเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเข้าใจแล้วค่ะแต่มันก็ต้องมีต้องเขียนอย่างที่มัน ต, ต้องหยุดพักอะ่ะมันจะเป็นพิจารณาไปอย่างเดียวโดยที่ไม่มาพักไม่ได้ค่ะผมอ๋ พอใจแล้วค่ะวันที่เราไปทํางานแล้วทํางานที่ที่ที่บริษัทเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาบ้านพักผ่อหนหับนอนใช่ไหมค่ะก็แบบเดียวกันนั้นปัญญาก็เป็นปัญญาไปทํางานทุ้นจิตสมาธิก็เป็นงานกลับบ้านแล้วพักผ่อหนหลับนอนกินข้าวค่ะพอมีแรงก็ออกมาทํางานใหม่ ต, ต่ออ่าหลวงพ่อจะพยายามทํา พยายามทำลายสมมติให้ได้พยายามมองให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่นิ้น้ำลมไฟด้วยเห็นว่าเป็นอสุภะในอาการสาสิบสองเลยมองเหมือนเหมือนมองแล้วมันไม่ไม่มีอะไรเหมือนเหมือนแค่เป็นแค่ก้อนธาตุทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็สลายแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็ต้องดูอย่างอย่างอย่างอื่นด้วย มันก็ต้งดูว่ามันไม่สวยไม่งามด้วยนะสุภาพนี่นี่คือท่นน่าการเนี่ยมันมีหลายหลายแง่หลายมุมที่เราต้องมองไม่ใช่เป็นก้อนท่านหนึ่งเดียวเราไปเห็นว่ามันเป็นสวยไม่งามก็ต้องไปเห็นว่ามันเป็นอสุภาเป็นสร้างศพนี่ด้วยเหตุการณ์สามสิบสองค่ะเราจะพยายามค่ะเรา โอเคนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อการตกแะได้นั่งกายแล้วมันก็ไปสู่เวทนาเวทนาแล้วก็ไปดูจิตอีกทีมันต้องไล่เป็นขั้นๆเลยค่ะโอเค okay, นะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ะคุณปบญมาส์ฌนอยู่สวิสเซอร์แลนด์นะอยู่เมืองอะไรนะกินีวาใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์กรรมนวัตการค่ะ มีอะไรไหมก็มีคำถามนิดๆหน่อยๆค่ะถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะคะก็คือที่ว่าทำชาเลน g e กันนะคะพระอาจารย์พอดีหนูนั่งไม่ได้เยอะอย่างพี่ๆเขาหรอกค่ะแต่ว่าจะบอกว่าบางทีการที่นั่งเนี่ยหนูเห็นว่าจิตที่มันกระเพื่อมปลงไปกับความคิดอันนี้ตามไม่ทันพอพอมันไปปุ๊บมีสติเราก็ดึงกลับมาแต่บางทีมันก็ทันบ้างเราก็ตัดได้อย่างนี้ค่ะ จบ ต, ต่างมาจต้องพยายามอยอากได้เคล็ดลับต้องพยายามมีมีสตริรู้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึง่งรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายาร่างกายมีการเคลื่อนไหวอยู่หรือรู้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุธโทโธมันก็จะมีสติมาเป็นเป็นทางการเกี่ยวกับสติ ถ้า น, นั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเขาออกกนะันนอย่าอย่าอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติต้องให้ใจมีมีทํางานทางหน้าสติให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่พุทโธก็ได้อยู่กับการกระทําถ้ามีการกระทําทางร่างกายก็ดูการกระทําของร่างกายไปเช่นกาลังอาบน้ําน้างหน้าแปรงฟันก็คอยเฝ้าดูร่างกายไปถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวนั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเขาออกไปหรือจะให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ เราอาจจะใช้คําบริกรมรมอย่างอื่นก็ได้พุทธทางสารนังประชามิธรรมังสารนังประชามิก็ได้ให้จิตมีอะไรเป็นตัวเหนี่ยวร่างจิตใจไม่ให้ไปคิดตรงนั้นตรง น, น, นี้แล้วต่อไปพ อ, อ, อ, พ, อพอเราเผอพุโทโธเราเนินพุโทโธเนินท่องเนินดูลมพอไปคิดเราจะรู้ว่าเราเผลอแล้วเร า, เนะเราก็เน้นความคิดกลับมากลับมาที่ลมกลับมาที่พุโทโธแล้วแต่เราจะใช้อย่างไรก็ได้เอพระ อ, อ, อาจารย์ หนูมีคําถามอีกการหนึ่งคือหนูจะมีความรู้สึกเหมือนพี่คนหนึ่งที่ที่ถามไปทงต้นนะคะคือพอดูลมหายใจแล้วมันชอบไปอยู่ตรงกลางหน้าอกอะ่ะดูการแบบเขาเรียก อ, อะไรนะครับอาจารย์เ อ, อที่มันพองขึ้นยุบขึ้นเหมือนกันครับมแต่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าไม่ดีไม่ควรทําควรทําที่ปลายจมูกก็แล้วแต่ถ้าอยากถ้าถ้าอยากจะมันอยู่ที่ที่หน้าอกก็ได้แต่อย่าย้ยายไป ย, ย้ายมาเอาที่เดียว อันนี้หมายถึงเห็นลมลมขึ้นลมลมออกใช่ไหมลมเข้าลมออกที่เน่ายุบหนอพองเนอะอันนั้นก็ได้ให้ดูตรงนั้นก็ได้แต่ที่เมื่อกี้นั่นพูดนั้นไม่ได้หมายถึงลมเขาพูดถึงจิตจิตไปอยู่กลางเน่าความรู้สึกเท่าที่เราเข้าใจนะั้นเร า, าอย่าไปตามรู้ความรู้สึกให้เราดูลมให้ดูเลือกจุดใดจุดหนึ่งท่าจะดูที่ปลายจมูกก็ใหอยู่ตรงจุดนั้น ถาอยากจะไปดูที่หน้ากลางเน่าก็ไปที่กลางเน่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะไม่นิ่งเราต้องการให้จิตมันนิ่งเนี่ยมันต้องอยู่ที่จุดเดียวเ ข, เข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์เพราะ<ม>ว่าดูหลายๆจุดมันเป็นการเพิ่มความวุ่นวายให้กับใช่การทำงนานให้กับจิตจิตมันก็จะไม่นิ่งไม่สงบได้วันนีมีอม<ร>ะไรมาก่อนาที่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไปดูต่ตรงนั้นดูตรงนี้มันก็ แล้วบางทีก็ไปคิดเป็นอสุภาคิดไป น, นู่นไปนี่ไปมันก็เลยเละเทะไปใหญ่เลยมันทําสมาธิมันก็เลยไม่ได้ผลการทำสมาธิต้องให้มันนิ่งให้มันหยุดคิดไม่ให้มันไปยุ่งกับเรื่องอะไรทั้งหมดศึกษาทุกค่ะเออพระาจารย์ทราแล้วท้อเกิดว่าอย่างสมมุติว่าเราเข้าใจสัจธรรมบางอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิทําไม ม, มันมันมีมันเกิดอาการฟุ้งเข้ามาครับอาจารย์มันคืออะไรหรือคะเนี่ย กิเลสทํางานถ้ามันฟุ้งก็เป็นเรื่องของกิเลสกเลสมันยังไม่ตายก็ามโลภความโกรธความหลงมันยังทางานอยู่มันมันมีอาการมันมีอาการยังไงมันมีอาการแบบปู้อยากจะขยายความว่าโอ้เธอเข้าใจดีอย่างนี้ทํำแบบนี้ถูกแล้วอย่างนี้นี้ซึ่งเราก็เฉยๆนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมันคอยสกิดอย่างนี้ยครับพระอาจารย์ ก็มันอยู่ที่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ในตอนนั้นถ้าเราทําสมาธิก็ไม่ควรที่คิดอะไรแต่ถ้าเราไปกําลังศึกษาเรื่องปัญญาอยู่เกอศึกษาได้อยากจะศึกษาเรื่องร่างกายก็ศึกษาได้เรื่องอสุภะก็ศึกษาได้แล้วแต่เราอยากจะดูอะไรก็ดูไปศึกษาได้ถ้าเป็นเรื่องของปัญญานี่ก็ต้องใช้ความคิดแต่ต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรถ้าทําสมาธิก็ไม่ให้ใช้ความคิด ถ้าใช้ถ้าทําปัญญาก็ใช้ความคิดคิดไปเลยคิดดูอาการสามสิบสองคิดดูคําไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าเป็นนินาน้ํามลมไฟไม่มีตัวตวนอันอนี้คิดได้เลยแต่เราต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรนะเขาอาจารย์จะมันก็แล้นนนแนวไงก็แล้วแ น, นวนึงให้นิ่งแนวหนึงให้รู้ทำสมาธิให้นิ่งให้สงบทําปัญญาเพื่อให้สว่างให้เกิดความเข้าใจ ในธรรมชาติของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราคอพระอาจารย์แต่ที่หนูไม่เข้าใจคือหนูนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วมันเกิดแบบอย่างมันเหมือนแบบว่าเอออันเนี้ยมันเป็นดีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเองเหรอหนูก็ได้กําหนดเหรอก็ความคิดอย่างเงี้ยวย่ายู่มันนะคะค่ะโอเคค่ะอย่าเป็นตังคมันก็เป็นความคิดอย่างก็อย่าไปสนใจทำมาดูลมถ้าเราดูลม ถ้าเราพุโทโธกลับมาที่พุโทโธก่อนอะไรจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราทําสมาธิไม่ต้องไปสนใจทนะั<ม>้งนั้นไม่ว<ม>่จาจะเป็นควา ม, มความคิดอารมณ์หรืออะไรต่างๆความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดอันนี้ด้วยความสว่างด้วยจิตมันมีอาการสว่างสวยัยมันเป็นดวงฟุง้งดวงไฟอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจทนะั้งนั้นมาอยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธถ้าเราใช้นมก็ดูนมไปอย่าอย่าเผลออย่า อย่าย้ายที่อ๋อหนูเข้าใจแล้วค่ะถ้าคือทําสมาธิให้ทําไปเลยถ้าจะเดินปัญญาคือเราเป็นคนกําหนดใช่ไหมคะไม่ใช่ให้แบบใช่แล้วต้องกําหนดเรื่องเหมือนกับเราจะเรียนตัดตัดเสื้อผ้าเราก็ต้องคิดถึงเรื่องตัดเสื้อผ้าอยากจะทํากับข้าวก็ต้องคิดถึงเรื่องทํากับข้าวทางปัญญาเราก็ต้องต้องเรื่องว่าเราต้องการจะดูอะไรต้องการดูความไม่สวยงามของร่างกายแล้วก็ต้องดูสร้างศพดูอาการสารทีสองเนี่ย <Okay. S 2> เราอยากจะดูความเป็นปติกูลของอาหารว่ า, ร า, วาเราติดอาหารกี่ชอบกินอาหารก็ต้องดูเวลาที่มันไม่น่าดูเวลามันการมันปติกูลอาหารที่เรากินเนี่ยมันอยู่ในจานมันก็น่ากินเนี่ยพอมันไปอยู่ในถัโวส้วมมันก็ไม่น่ากินอะไรอย่างนีระ้าจานี้ยกเว้นไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์อ้นถ้าเราต้องการจะเลิกมันก็ต้องพิจารณาจุดตรงมันข้างมาเป็นี่ย เอ่อาพยายามค่ะป้าจ๊ะก็มันก็ไม่อาหาอย่นี้เราไปเราเป็นลังเกียจมันเองอ่ะควจริงมันก็อยู่ในท้องเราอยู่ในลำไส้เรามันตอนที่มันอยู่ในร่างกายเราทำให้มันเป็นรังเกียจมันอ่ะพอมันออกมาจากร่างกายไปลังเกียจมันขึ้นมาทันทีก็ดีกันเราจะได้ใช้ใช้อาการนี้มามาหยุดความอยากกินอาหารของเราได้ อาจารย์แต่หนูว่ามันเป็นที่กําลังสถานที่หรือเปล่าครับพระอาจารย์เพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านมันแบบอะไรก็สะดวกสบายไปหมดแต่ถ้าเขาวัดไม่มีไม่มีอะไรเลมันไม่มีอะไรที่จะมาส่งเสริมความอยากที่วันที่เขามายามกําจัดของต่างๆเพื่อจะได้ไม่มากระตุ้นความอยากแต่ก็ยังมีความอยากในใจเราอยู่ถึงแม้ไม่มีอะไรกระตุ้นมันยังคิดถึงได้อยู่ใช่ไหมแต่มันยากขึ้นถ้าเองมันยากขึ้น แต่ถ้าอยู่ใกล้อยู่ในบ้านตู้เย็นก็มีตูลล้นั้นตู้นี้ก็มีขนมวางไว้เต็มไปหมดเนี่ยเดี๋ยวเห็นมันก็อยากขึ้นมาทันทีถูกต้องแหละค่ะพระอาจารย์ถ้ามั็นอยากก็มาคิดถึงเวลา <c oughs> เราเออเวลาถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> มไม่สวยแหละค่ะพระอาจารย์เวลากินเลยใช่ไหมถูกก็ปก <c oughs> นะ <c oughs> ปฏิกูลนะไม่ปฏ <c oughs> ิกูอาจารย์ก็ถามขอถามอีกข้อนึงเดีอจะไปแล้วจะเอม หนูถามพระอาจารย์เขมรศิริที่วัดธรรมประักษนะคะว่าบวชเป็นพิสูนีที่เมืองไทยเขายังไม่อะไรนะคพะพอาจารย์ยังไม่มีการยอมรับอืท่านก็เลยแนะนําให้ไปบวชที่ถ้าจะบวชอย่างนั้นให้ไปบวชที่อเมริกาแล้วก็อีกที่หนึ่งหนูก็จําไม่ค่อยได้แล้วค่ะอืแล้วถ้าเกิดกับเมืองไทยเนี่ยคือถ้าจะบวชก็คือแค่บวชชีใช่ไหมคะพระอาจารย์ ถ้าเราบวชอะไรมาเขาไม่มีใครเข้าห้ามเพียงแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้รับสถานภาพว่าเราเป็นภิกษุณีได้อ๋อค oh, uh ่ะ huh. แล้วเราก็ต้องอยู่เราก็อยู่ของเราไปตามเรื่องของเราเองเพราะว่ามันไม่มีวัดสําหรับภิกษุณีในเมืองไทยเนะี uh ่ยจะไปอยู่ที่ไหนถ้าถ้าเป็นผ้าก็ต้องไปอยู่ตามวัดถ้าเป็นภิกษุณีก็ต้องไปอยู่ตามวัดของภิกษุณีแต่มันไม่มีวัดของภิกษุณีนั้นถ้าเพื่อความสะดวกถ้าเรา uh huh. ถ้าต่อถ้าอยู่เมืองไทยนี่บวชแม่ชีนี่มันมันสะดวกกว่าถ้าอยู่พระอาจารย์พ่อแล้วบวชที่เมืองไทยบวชแม่ชีนี่สะดวกกับการปฏิบัติไหมคะมันปฏิบัติได้เท่ากันอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เป็นแม่ชีแล้วเป็นเพกษุณีหรอกคือใจหนูอยากจะมีที่หนึ่งที่หนูอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องให้ใครมาวุ่นวายใครปฏิบัติอย่างเดียว ก็ที่ที่เมงไทยก็มีส น, นักของแม่ชีให้คนที่ไปวนแม่ชีไปอยู่ปฏิบัติกันได้เพียงแต่เราต้องศึกษาหาหาว่ า, า, า, า, าอยู่ที่ตรไหนบ้างมีอยู่ ม, มันกน็มันก็เหมือนพิกษูนีแหละเพียงแต่ว่าเราเรียกเป็นแม่ชีเท่านั้นเองอแต่ก็ปฏิบัติเหมือนกันรักษาศีลเหมือนกันนั่งสมาธิเหมือนกันดำเนินปัญญาเหมือนกันไม่ต่างกัน เนี่ยค่ะอาจารย์ที่หนูอยากได้เนีคือแค่นั้นแหละคือรักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญาไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครใช่หนึ่งหน่เราต้องไปหาวัดที่ที่มีสถานที่เหมาะกับเราที่จะให้เราได้ปฏิบัติอย่างอย่างเต็มที่ตามความต้องการของเร า, <Okay. S 1> าแต่ละสำ น, นักเขาอาจจะมีกฎมีระเบียบมีพิธีการอะไรต่างๆอาจจะต้องรวมกันมาไหว้พระสวดมนต์นั่งทําวัดเช้าเย็นก่อนอะไ ก็มีบางวันก็ไม่มีเลยให้ปฏิบัติได้เป็นร้อยไปเลยก็มีอันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนเราก็ต้องไปหานุวันแบบนั้นดูค่ะค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะขอ บ, บคุณค่ะ okay. สาธุสาธุสักไปที่คุณจูบที่โกเบเจนญี่ปุ่นคาะนมาสการพราจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะฟังได้ฟังแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติไมไได้ความรู้มากขึ้นเลยมากๆเลยเจ้าค่ะในการปฏิบัติของแต่ละท่านเจ้าค่ะมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยส่วนโน่นี้ก็คืออยู่หลังห้องปลายแถวเจ้าค่ะไม่แน่นะต่อไปอาจจะมาขึ้นขึ้นอยู่ข้างหน้าก็ได้นะอาจจะเป็นมาตีนปลายก็ได้ <c oughs> ปกที่อยู่ข้าหน้าอครจะเป็นม้าติ่นต้นก็ได้เดี๋ยวมี่มีเวทีพาเข้าหมดแรงก็ได้นะงั้นอย่าประมาทตัวเราเองนะอย่าไปม้าอย่าไปประมาทตัวเราหรือประมาทคนอื่นขอให้เราพยายามทําให้เข้มข้นที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็แล้วกันเจ้าค่ะอืหนูจะพยายามปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะอสาธุสาธุเจ้าค่ะวันนี้ไม่ต้องปฏิบัตินะ้ววันนี้รู้หมดแล้วไนส์ การละวัตกรรม่ะพระอาจารย์ไม่มีทุกไม่ไม่ทุกเก่าแล้วใช่ไหมกําลังฝึกฝนค่ะฝืนเปลี่ยนนิสัยตัวเองเจ้าค่ะขอบคุณคําสอนของพระอาจารย์มากมนะเจ้าค่ะค่ะคุณค่ะสตรนทอนแมวเวลานการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงยังทุกยังทุกอยู่เปล่ายังทุกกับลูกอยู่เปล่อลูกนี่ เป็นปัญหาประจําวันกับอาารย์ยตัดไม่ได้นะยังปลงไม่ได้<ต>ยังวางไม่ได้มันยังวางไม่ได้ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องจนกว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราถึงจะวางแต่ก็โยมก็มีคือเราทําไปแต่เราเราไม่ไปไปทุบไปกัวงวลกับเขาไม่ได้อ๋อได้ได้ค่ะาอะาจารย์ได้หน้าที่ทําก็ทําไปแต่ใจเราอย่าไปทุบ ก, กับเขาแล้วกันค่ะอันอันนั้นได้อันนั้นพอ จะรอยเปอร์เซ็มันก็ไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ปล่อยวางได้ในระดับหนึ่งค่ะไม่ไม่จริงไม่ด้นอนไม่ดับนะไม่ไม่เป็นเลยค่ะปัญหานั้นเลยค่ะอโยมแต่เป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทํางานมากกว่ารู้สึกว่าตัวเองถูกกับการทํางานคือลูกเราก็ถูกแต่ว่าให้ความสําคัญกับการทํางานเช่นกันนะคะอืแล้วหลังที่อาจารย์เอสั่งสอนอาทิตย์ที่แล้วโยมก็ปล่อยอ่ะค่ะปล่อยเรื่องงาน แล้วก็ปล่อยก็ปล่อยจริงๆอะค่ะไม่ไม่ <Yeah. S 2> ไม่การทําเท่าที่เราทําได้ไม่คาดหวงังถึงเวลา mm hmm. เราก็ทําหน้าที่ให้ได้มากที่สุด mm hmm. อย่างนั้นะคะ mm hmm. แล้วก็เเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมายมก็ปฏิบตัติแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเพราะว่าพระอาทิตย์ที่นี่ตอนนี้เช้าอะคะ่ะตื่นเชา้าต mm ีสี่กว่าขึ้นมาก็เลยลองขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทําจนถึงเจ็ดโมงเชา้า ก็ไปล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำนิดหน่อยแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่อก็รู้สึกว่าการปฏิบัติยาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะสามสี่ชั่วโมงติดต่อกันเงี้ยมันได้ผลดีกว่าที่จะปฏิบัติทีละชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าหลังจากนั้นพอสติหมดเนี่ยพอมาเริ่มทํางานสติมันเริ่มหมดมันก็มันมันก็ฟุ้งอะค่ะมันก็กลับมาฟุ้งเหมือนเดิมแล้วพอจะมาปฏิบัติใหม่ยงก็ค่อยๆ่ําทีละอิะดนะคะ่ะ สีิบ้านาทีบ้างชัง่วโมงบ้างชัง่วโมงครึ่งบ้างแล้วหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมานั่งปฏิบัติต่อทําอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าสติจะเริ่มกลับมามีพลังขึ้นนิดหน่อยแล้วถึงจะได้ถึงจะได้ปฏิบัติได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เคยทิง้งไม่เคยทิ้งการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ีก็ค่ะก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะคะาพระอาจารย์แต่แต่ทนทําทําทําทํ า, าที่เวลาที่เรามี ทำได้ทั้งทํา ไ, ทไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทมอมอลูกยมนี่ก็กําลังเรียนสอบใบขับขี่อย่างนี้นะคะช่วงนี้เขาก็จะมีการคือเขาจะต้องมีกฎบังคับว่าจะต้องขับรถ60ชั่วโมงก่อนถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบใบขับขี่ที่เขาเรียกว่า provisional นะคะอือเขาก็ยังไม่ถึง60ชั่วโมงยมก็ต้องนั่งไปกับเขาด้วยนะครับใจเรามันก็ไม่สนกับอาจารย์เวลาที่ล จบแล้วเรารู้สึกว่าเขายังไม่ยังบางบางจุดบา ง, บางยังไม่หูกเนี่ยก็ยังยังปล่อยกายไม่ได้นะคะอาจารย์ในสมัยก่อนที่เราอยู่ที่นั่นเราไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องขับ60ชั่วโมงอยจะสอบเมื่อไรก็ไปสอบข้อเขียนเลยสอบข้อเขียนเสร็จเขาก็ให้ไปซขับรถให้คนดูเลยขับรถไปก็กจบ <laughs> แต่ของหนูตอนที่หนูมานี่หนูบีไปครับขี่จากเมืองไทยมาแล้วะอะค่ะแล้วก็แล้วตอนมายมก็ทําอำ international driver license มาแล้วอะคะ่ะแล้วพอมาอ ค, คือมันก็สอบนะคะแต่ว่ามันไม่ต้องผ่าน60ชั่วโมงแบบนี้ค่ะค่ะหนูก็มาแค่มาเรียน อ, ะ, อะไรนะคะอ่ะเอลกอฮอล์เทสวันหนึ่งแล้วก็สอบให้ผ่าน แ, แล้วก็ไปสอบที่ที่ใบขับขี่อะคะ่ะที่มีข้อสอบแล้วต้องทำผิดได้ไม่เกินแค่สองข้อนะคะอพอผ่านนันนั้นเสร็จเราค่อยมานัดนัดสอบใบขับขอดสับขับรถแล้วหลังจากันก็ได้ใบขับ แต่ลูกนี่เป็นเพราะว่าเขายังอายุไม่ถึงสิบแปดนะคะเขาก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการได้เป็น Learner อ e r m i t ก่อนเลอ r ์ e r ก็คือนั่งไปกับครอบครัวได้ให้เขาขับได้นะคะแล้วเขาก็จะต้องสอบจะต้องไปเรียนสามสิบชั่วโมงเรียนเรียนทฤษฎีอะค่ะแล้วก็ไปเรียนขับรถกับเขาด้วยแต่ในขณะที่เรียนขับรถเนี่ยหกชั่วโมงก็จะมีการสอบไปด้วยเรียนไปสอบไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็เขาก็จะ โรงโรงเรียนสอนขับรถเขาก็จะเป็นคนบอกว่าเออตอนนี้ไปถึงไหนแล้วได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่ผ่านจุดนี้ก็ต้องกลับมาเรียนใหม่ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะืแล้วหลังจากผ่านสาสิบชั่วโมงนี้แล้วเขาถึงจะแล้วก็ต้องเก็บหกสิบชั่วโม ง, ท, งมทั้งหมดที่ขับกับเราแล้วหลังจากนั้นก็จะไปสอบสอบอันนี้เขาเรียกว่า provisional อ่ะค่ะแล้วพอได้หกสิบชั่วโมงเราก็จะต้องขับอีกสิบแปดเดือนโดยที่ต้องไม่มีอุบัติเหตุใดๆเลยแล้วก็ขับกับครอบแล้วหลังจากสิบแปดนี้เดือนนี้ถึงจะไปเปลี่ยนใบเงี้ย ไปเป็นไดรเวอร์ไลเซนต์ตัวจริงค่ะตลอด้ปเพียงอายุต่างกันสิบปดเลค่ะเพราะว่าเขาเริ่มเขาเริ่ม learner permit ได้อยุสิบหกะคะ่ะแล้วเขา ก, ก็ก็ประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็กำลังทากาลังอยู่ในช่วงส0มสิบชั่วโมงก่อนแล้วก็อาจจะภายในเดือนนี้เดือนหน้าไปสอบไปบ professional ล้วถึงจะขับได้อพอได้ professional แล้วก็ขับเองได้แล้วอะคะ่ะขับไปคนเดียวก็่ดีเพื่อความรอบคอบนะเพื่อาวมปลอดภัย เขาก็เต็มที่เหมือนกันนะคะเขาก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวิธีการดูหน้าปัดวิธีการเช็คลมเขาจะสอนเหมือนขับติ๊เลยนะคะอืงแต่ในขณะที่เขาขับกับเราเนี่ยบางทีมันก็ยังมีบางจุดที่เขาที่เรายังเรายังสื่นเเสีว<ต>ยวเฮ้ <laughs> ยยอมยังยมยังทิ้งกายไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ ค่ะขอให้พระอาจารย์รักษาทัศุขันธ์นะคะกับสาธุเพื่อคุณยิบคุณแจนีชยคุณแจนด้วยคุณเจนพิษเบิร์กรัสาค่ะพระอาจารย์เปคุณจิบใช่ไหมเป็นคุณยิบนะใค่ะเพื่อนคุณเ์่สักครูเจาสวัสดีครับสวัสดีครับลูกชายหรยอลูกชายค่ะเอาแล้วก็ d you d meditation every day? n i t We do every day. Yeah, at n t y e do it e i t e a t i t o it every d a y e h e v e r y night. a n do t night. e a y we do it every d Yeah, at night. y o i e r y n i e a h at night. Yeah, do r y g h t e s t i t e do it n i g e a t i t y o it e i g t y e n i t e a h e do e y i n t e we o t r i g h t y n i g e d it e i g e i t y e o r y o u y a e o u r y n e h a e o i e n i n t e we o i y n g t e g w o r y y e a n Yeah, w y e Keep doing it, okay? Okay, uh... okay oh, alright. o k more. i t t l e b i more. Um. Ah, but we n t g a n y h e r e Um. o u t l l h e v e s e e s a n get Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Hmm. You in. We you t yes, hmm. you get so, uh, oh. in. s t a on w h i c on w day? w t h e questions. Yom, just f o l the l i e in i s n g l i d o e t h a v e questions? Um. u Um. Um. Um. Um. Um. u u u u u Um. การวางใจกับลูกสาวแล้วกันค่ะอาจารย์โยมจะถามว่าคําตอบคือโยมฟังของทุกคนแล้วเนี่ยอ่าโยมก็คิดคิดดูคาตอบแล้วนะคะคือเรื่องของเรื่องคือลูกสาวของคืออย่างลูกชายโยมเนี่ยโยมอย่างลูกสาวโยมมีลูกชายกับลูกสาวสองคนนะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยโยมก็จะสอนศิลปะมาตั้งแต่เขาเล็กๆลูกชายโยมก็จะสอนศิลปะเขามาตั้งแต่เล็กเล็กแล้วก็พอลูกสาวเนี่ยตอนนี้เขา23แล้วใช่ไหมคะ แล้วโยมก็ก็จะสอนเขาอะทำทานอะทำบุญนะครัก็สอมาที่แต่ตอนเนี้ยเขาบอกโยมว่าเขาเขาไม่อยากที่เขาเคยทํามาทั้งหมดคือเขาไม่อยากให้แม่โกรธทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นลูกเราเราก็เลยอดห่วงไม่ได้ครับแต่แล้วมันก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์เสร็จโยมก็อ่าพยายามฟังติดตามของฟังธรรมของพระอาจารย์มาเรืเร่อยๆล่ ะ, ะคะ แล้วโยมก็เลยคิดว่าอการทําบุญหรือว่าทํามาเนี่ยไม่มีใครสามารถบังคับใครได้แล้วก็ทุกคนอ่ะมีกรรมเป็นของของตนเมื่อถึงเวลาของเขาเขายมคิดว่านะคะเมื่อถึงเวลาของเขาเขาคงจะหันหน้าเข้าหาทำทําเองกับคําตอบของโยมคือโยมต้องปล่อยมาถูกไหมคะรย์ถูกต้องครับมีหน้าที่สอนเขแล้วแล้วก็สอนสอนสอนเสร็จไปแล้วก็จบแลหน้าที่ของเรา ส่วนเขาจะทำนี่ไม่ทำํำนี่เราไปบังคับเขาไม่ได้ค่ะค่ะถูกต้องแล้วทำนี้เมื่อี้เราจะเราจะเครียดไปถ้าเขาไม่ยอมทําตามที่เราสอนใช่ไหมแต่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่สอนเขาเราเราก็บอกต้องในหน้าที่ของเร า, เ, ราเป็นแม่เป็นผู้ปกครองแล้วก็ต้องสอนเรื่องเรื่องืองดีเชื่อต่างๆให้เขารู้ส่วนเขจะเลือกทําอะ ไ, ไรนี่เราไปบังคับเขาไม่ได้ นี่ค่ะตอนแรกก็คิดจะถามพระอาจารย์มาหลายอาทิตย์แล้วแต่เมื่อฟังแบบพอฟังอ่าหลายๆท่านที่เข้ามาถามคือโอเคโยมก็เข้าใจแล้วคือเราจะต้องป่ อ, อยวางใช่ไ <c oughs> อ่ะมิช่วงกับพาาระอาจารย์ค่ะว่าโอเ ค, ค ม, อมันก็มัน ก, กเ็เ เ, เป็นกล้วยแล้วเราอยากจะให้เขาเป็นส้มเนี่ยมันเป็นไ ป, น ป, น ป, น ป, นปนไม่ได้เหน็นไหมค่ ะ, ะไม่ได้คส่วนตัวโยมเองก็อาศัยความเพียรค่ะพระอาจารย์ก็สวดมนต์สมาธิ ถ้าเจอวันไหนเหนื่อยมากๆก็ได้สี่นาทีกับลูกชายอะค่ะอาจารย์แล้วก็พอลูกชายเขาหตับก็เราเวนะตัวเราอเองเวลานะตัวเราเอยางยังบังคับตัวเราเองไม่ได้น ะ, ะเราจะจะไปบังคับคนอื่นไงตัดสินครับอาจารย์โยมก็พยายามใส่ความเพียรปฏิบัติแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับอาจารย์อดีแล้วลนะ่ะเนา้ขอขอพยายามบังคับตัวเราก่อนดีกว่าคนอื่นอย่าเพิ่งไปบังคับเลย แล้วก็โยมแม่พี่ชาแล้วก็พี่สะายโยมก็ไปเสด็จบพระอาจารย์ทุกทีะคะ่ะ <Okay. S 2> แล้วก็แม่จะชอบมาเล่าให้ฟังว่าอ่าพระอาจารย์ให้พรนะให้แข็งแรงอ่าโอเค อ, อยไม้เกินร้อยอ่าโอเคมีอะไรไหมไม่มีาพ่ะอาจารย์พ่ออาจารย์แค่นอย่าใไปที่ cancer star คุณยินดี สวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะได้คําได้คําตอบเยอะเลยค่ะวันนี้โอเคไม่ต้องไปสอนน้องกันะพอแล้วเพราะโตแล้วใช่ค่ะหนูไม่ได้ไมได้นี่เลยนะคะไม่เคย <c oughs> ยุ่งอะไรเขาเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าท่านอาจรย์นึกเสมอค่ะเวลานั่นปุ๊มเนี่ยบางทีเราอยากจะบอกอะไรเขาเนี่ย <c oughs> หนูก็จะเบรกตัวเองได้แล้วคําสอนท่านอาจารย์ก็จะขึ้นมาว่า เขาอยากเป็นอะไรก็ให้เขาเป็นเราอยากให้เขาเป็นควยตามใจเรามันก็ไม่ได้เพราะเขาเป็นแอปเปิลมันจะขึ้นมาเองน่ะแล้วหนูก็ไม่เคยสอนก็เลยไม่เคยไม่เคยยุ่งกับเขามานานแล้วค่ะไนเนองยาก็ได้ดูแลก็ได้เมตตาเขาได้แต่อย่าไปบังคับเขาไม่เคยค่ะถ้าอาจารย์ไม่เคยนานแล้วค่ะเนเป็นเป็นนานแล้วค่ะไม่เคยยุ่งเขาแบบไม่เคยสอนไม่เคยอะไรได้แต่บอกได้แต่บอกว่า แต่บางทีก็จะพูดออกมาลอยๆในกรณีถ้าเกิดสมมติว่ามันเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะถ้าอาจารย์เวลายอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเขาเขาเขาคือทำอะไรไม่ถูกก็บอกก็ได้ทาอะไรไม่ถูก ก, ก, ถไไถก็บอกได้ค่ะหนูก็ได้แต่บอกว่าบอกเฉยๆนะผู้ดได้ฟังเฉยๆไม่ได้ว่านะ เพียนแต่ว่าบอกให้ฟังแต่ถ้าเกิดจะทําตามก็ทําตามไม่ทําตามก็มันเรื่องของริฟพราะวันนี้คือตามใจนิพก็มีหน้าที่พูดที่ฟังเฉย<น Lincoln>ๆหนูก็พนี้แล้วหนูก็จบหนูไม่เคยไม่เคยเลยค่ะถ้าอาจารย์เพราะว่าคําพูดจะเบรกตัวเองขนาดหนูจะเอาเขาแบบเวลาเขาจะไปทําบุญด้วยอย่างเงี้ยแบบคือเขาไม่อยากไปหนูก็หนูก็ไม่เคยไปเคาะหรือทําไมไม่ไปหรืออะไรในนักษณะที่ว่าเหมือนแม่เคยทําสมัยก่อน หนูก็ไม่เคยคะ่ะปล่อยค่ะท่าอาจารย์เพราะาคิดว่าเขาเพราะเข า, เคาคิดว่าเขาโตลแล้วแต่เขาก็ยังไม่โตอะคะ่ะท่านอาจารย์เราก็ได้เดินดูแลเแขา<อ><บ>ค่ะเมตตาค่ะหนูก็ได้แต่แบบว่าได้แต่ในใจว่าเมตตาเมตาก็คือในเมื่อเราเมตตาคนอื่นได้แล้วน้องเราแท้แท้ทำไมเราจะเมตตาไม่ได้ก็เมตตาหันหลังไปทําได้แค่นี้ยค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ต้อง ไมต้องทำความความอยากของเราอะค่ะท่าอาจารย์กต้องตามนี้ยค่ะถ้าอาจารย์ก็หรือก็ขอบคุณท่าอาจารย์เปนอย่างสมงเลยค่ะเพราะคําพูดของท่านอาจารย์คําสั่อนของอาจารย์เข้ามาตลอดค่ะลูกก็ไม่มีอะไรนั่นไม่เครียดกันเขาก็ไม่เครียดเราก็ไม่เครียดแต่มันก็ดีนะาอาจารย์มันดีนะคะคือคือทําให้เราแบบปล่อยวางได้ แล้วเราก็มีความสุขของเราได้แล้วเราก็ไม่ได้ทําตามความอยากที่เขาต้องการเหมือนกันค่ะคือ<ม>คือเขาไม่เขาก็ทําตามที่อาจารย์สอนตลอดนะคะถ้าอาจารย์ก็เมตตาแต่ก็มีกอบเขตค่นน ะ, ะถ้าอาจารย์ก็เหมือนที่อาจารย์สอนไว้ค่ะถ้ า, าจาังก็ <Yeah. Okay. S 1> ลูกก็ไม่มีอะไรแล้วก็เออเหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์ลูกก็เข้ามากาบพร้อมกับเรียนะคะ ท่านอาจารย์ก็บา<อ><อ>งส่เนได้ค่ะต้อก<อ>ขอคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์กลับมาที่พัทยาคุณตายคุณตายน้องกลับนมรสการค่ะพ่าอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังธรรมค่ะเข้ามากราบท่าอาจารย์ด้ยค่ะก็มาได้ไงไม่ไม่ไม่ติด ง, งานเลยก็ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้ทํางานกลางคืนค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็พยายามเลิกงานเสร็จก็ขึ้นบ้านเลยไม่กินข้าวเย็นแล้วก็มานั่งอาบน้ําแล้วก็นั่งสมาธิแต่ก็เหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลยค่ะพระอาจารย์จะพยายามไม่กินข้าวเย็นทุกวันเลยเนี่ยก็เพิ่งได้สองอาทิตย์ค่ะพอาจารย์แต่ให้ตัวเองวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะพอาจารย์อาทิตย์ให้ตัวเองได้ ออกนอกรูนัทางนิดนึงค่ะอาจารย์ก็ดีได้หกวันก็ดีะอ่ะการทํากันสองคนสองคนโยอะค่ะก็มานั่งสมาธิทำค่ะก็ขึ้นบ้านแล้วแล้วก็อาบน้ําก็นั่งสมาธิก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะพระอาจารย์วันนี้นั่งได้สามสิบนาทีวันแรกได้สิบห้าวันที่สองได้ยี่สิบ วินิสามก็ได้ยี่สิบสองนาทีอะไรเงี้ยหนูก็มองมองเอ้ก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะไม่เอาแบบแบบแบบมาตินต้นแล้วค่ะอาจารย์เหมือนจะไปไม่รอดค่อยๆดีกว่าทตามกําลังของเราไปก่อนใช่ค่ะอาจารย์แต่ก็พยายามพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะอาจารย์ดีมากสาธุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณปุ้ยรักสมบิร์ใช่คุณปุ้ยถามนมัสกัดค่ะอาจาราย์อาจารย์ได<ง>้ไยินจ้ะ๋อไม่ไม่มีอะไรค่ะโยมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์กลางวันอ่ะสีเจ็ดครึ่งกลางคืนเย็นเย็นสี่แปดจริงจริงส่วนมลนเช้าส่วนมลเย็นนั่งสมาธิด้วยอืม อโยมก็ตื่นแต่เช้าค่ะค่ะอาจารย์โยมตื่นตั้งแต่ตีตีสามตีสี่อ่ะ mm hmm. แล้วเมื่อวันเนี่ยวันเนี้ยเช้าวันเนี้ยโยมเกเรเพราะว่าโยมตื่นมาแล้วโยมก็แบบมันงงเงียงงเงียเลยโยมก็เลยแบบแบบคือหาวิธีอ่ะเช็คตัวเองประเมินผลตัวเองแล้วก็ประมาณเอ แต่นั่งสมาธิได้อะวันหนึ่งตอนเช้าโยมนั่งหนึ่งชั่วโมงแต่โยมกลัวผีโยมถูกผีหลอกเมื่อเช้านี้มันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พระอาจารย์โยมนั่งสมาธิอยู่ดีๆแล้วมันมีเสียงนะ่ะโยมฟังพระโยมฟังพระหลวงปู่แล้วก็มันมีเสียงนะเสียงผู้หญิง พูดเข้าไปในในในในในเทปอะ่ะมันเหมือนมันมันขึ้นเสียงแล้วมันเหมือนกับว่าเขาบอกให้โยมอะจำรหัสเอาไว้ให้ดีเหมือนรหัสอะไรไม่รู้เออคือคือโยมไม่ได้แบบว่ า, วาจริงต้องนะพระอาจารย์เพราะว่าโยมกับลี ล, ลีฟังอีกคนหนึ่งแลวมันก็ไม่มีอย่างนั้นโยมก็เลยว่าผีหลอกโยมแง่เลยพระอาจารย์อย่าไปสนใจมันเนี่ย อือฮใช่โ mm hmm. ยมก็เอ่อทําทำข้ำอสอบให้ตัวเองเพราะว่าโยมอยากจะรู้ว่าเพราะเมื่อสัปดาห์นี้เราเป็นคนชอบที่ว่าล่าเริงชอบสนุกสนานชอบเดินออกไปถ้ามีงานก ง, งานแบบว่างานสิริเบสหรืออะไรงานเออบ้นชาติอะไรเนี้ยเราจะชอบออกไปดูอะไรสนุกสนานและอนี้โยมก็เลยลองเดินออกไปดูซิสวดมนต์ก่อนแล้วโยมก็ลองเดินออกไปดูซิว่าความรู้สึกเราเหมือนเดิมหรือเปล่า เราโกหกเพาพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราเราตั้งจิตธิฐานว่าจะเดินทางธรรม ท, ท, ทีนี้พอยมเดินออกไปมันมันไม่รู้สึกเหมือนกับเมื่อเมื่อสามสี่ปีที่แล้วที่ซึ่งยมอุย้ยสนุกมากเลยแต่ยมรู้อะไรวะมันก็แค่นั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พูดอะ่ะมันแบบมันรู้สึกเซ็งเซ็งมันไม่ใช่เวเรารแล้วมันไม่ใช่ทางเราอะ่ะเรารู้สึกแบบชอบนะอียมไปดูแบบเวลาคนเขาบุงดูกษัตริย์อย่างเนี้ย ยมจะมีความรู้สึกลำคาญเพราะว่าทําไมวะน่าเบื่อหน่ายจังในโลกนี้แม่กระดาลูกเป็นแบบคนคนคนฝรั่งนะคะไม่ใช่คนไทยแม่กระดาลูกคนกแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูเอเพียงกษัตริย์ที่บาดมายมว่าอะไรวะแบบมันรู้สึกแบบเบื่อแล้วเราพอเราเดินฝอยออกมาก้าวหนึ่ง แล้วเรามานั่งสวดมนต์รู้สึกอืมสงสัยใจเราเนี่ยถูกต้องและที่ว่าเราเดินมาทางนี้ย่ะโยมก็เลยจะบอกกับพระอาจารย์ว่าโยมตั้งจิตอธิษฐานและโยมไม่ไปทางไหนละโยมอยู่กับพระอาจารย์นี่เลยค่ะโอเคสาธุสาธุ่าแล้วโยมใช้เอ่อจากเวลาเนี้ยไปถึงตายเลยโยมก็จะเดินทางธรรมค่ะนี่นี่ ยึ<น>พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะนแต่โยมไม่บวชเพราะโยมโยมบวชใจแล้วกนันบวชใจก็แล้วกันใช่โยมจะบวชจรแต่โยมโยมอยากจะสร้างคือความฝันของโยมโยมอยากจะสร้างวิหารสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างวัดวาอารามช่วยเหลือพระพุทธเจ้า้ช่วยเหลือพระสิสุสงฆ์ช่วยเหลือคนแต่ว่าไม่ ยังยมยังไม่ไม่ไม่ไมไมดีพอที่จะไปกลนหัวพระอาจารย์อืมใช่ก็ทําไปเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันแต่ยมเป็นโยมเป็นจีนะยมเก่งมากเลยพระอาจารย์ยมอ่ะถือศีลแปดมาไม่กินข้าวเย็นมาตั้งปีกว่าแล้วค่ะถึงตอนนอนใช่ไหยถึงตอนนอนน่ะเป่าไม่หิวเลยยมจริงจิงพระอาจารย์ยมโอ้โหพระอาจารย์เพราะว่าที่ว่า ชอบกินอะอย่างเงี้ยเลยตอนเย็นเนี่ยโอ้โหมีอะไรจะมานั้นนั่งดูทีวีแล้วนั่งกินแต่แต่ว่าโยมก็ไม่รู้ว่าโยมเลืิกได้ยังไงตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วอยู่อยูอย่อยูอย่โยมฟังพระอาจารย์พูดอะไรก็ไม่รู้โยมก็จําไม่ได้พระอาจารย์พูดขึ้นมาคํานึงโยมก็เลยบอกว่ายพระอาจารย์บอกว่าให้ทดลองสามวันเจ็ดวัน ừ, เดี๋ยวแล้วก็จะมาเปลี่ยนเดือนทีนี้โยมก็เลยทดลองเจ็ดวันแล้วยมมันมันก็ผ่านไปทีนี้พอเจ็ดวันผ่านไป ยมยมจะออกเก็บสินแปดยมว่าเฮ้ยจะออกไงวะท่องไม่เป็นเอะ้รทีนี้ยมยมก็เลยต่อไปเรื่อยเลยต่อไปเรื่อยเลยเพราะมันไม่หิวไง mm hmm. ก็เลยแล้วมันรู้สึกว่าตัวมันเบาๆแล้วเวลาเวลาเราแบบใจมันนิ่งๆใจมันใสๆแล้วมันไม่คิดเนะี่ยยมก็เลยคลิดว่ายมมาถูกทางแล้วละ่ะพระอาจารย์ยมจะเดินตามพระอาจารย์นี่แหละ ทางของพระทเจ้าเนี่ยเป็นทางเอกคือเป็นทางเลิศทางที่วิเศษที่สุดแล้วจริงคะ่ะยิ่งที่สุดเลยคะ่ะโอเคขอให้ยึดไปจนวันตายเลยนะใช่โยมก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วขอให้โยม อ, อทําสําเร็จนะพระาอาจารย์ค่ะพระอาจารย์โยมไม่มีอะไรแล้วคะ่ะโยมจะมายมจะมาขอออกขอให้พระอาจารย์ขออวยพรให้พระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงนะคะ นะสาธุก็ขอให้คุณปุ้ยมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะขอบคุณค่ะขอให้โยมถูกหวยเยอะๆนะคะเอาเลย<า> <c oughs> ไปที่<า>ไปที่คุณมริกาต่อมริกานาลาธิวาสกลับนมัตการเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้ข้ามาฟังธรรมนะคะพอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะ โอเคแล้ที okay. ่คุณจอยต่อพัทยาจอยเป็นยังไงลู้กานอนแล้วเละเมื่อกี้เขาบอกเขาจะเข้าด้วยแต่ว่าเขาอยู่อีกห้องหนึ่งอคะน่าเล่นเก่งหรือเปล่าก็กกไม่รู้กออ็ของหนูหนูหนูจองไปวัดเดือนหน้าค่ะวันอาสาฬหะเข้าพรรษาสามวันออไปนไปจไปกับลูกสาว ไปกับเพื่อนค่ะคนที่เคยไปด้วยกันเขาเขาก็อยากไปเดียวก็เลยไปก็ไปไปด้วยกันสองคนแล้วก็นก็ไปใส่บาตรเหมือนเดิมคแล้วก็พยายามรู้สึกตัวอยู่บ้านพยายามนั่งสมาธิทุกวันนะค่ะแต่ช่วงนี้ขายของเยอะก็เลยแบบไม่ค่อยขายหลายอย่างดไปหนยขาไปหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ทิ้งพยายามรู้สึกตัวนึกได้ก็พยายามพุดโท้พุดโทอยู่โอเคเนี่ นะเดี๋ไปทนนีคคาาค่คุณผู๋จังหวัดอุดรธานีคุณผู๋ครับนักมัศการครับหลวงปู่ครับวันนี้มาฟังทเทศเฉยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีครับโอเคเดีนไปต่อที่คุณจิ๊บเลยจิ๊บที่แม่เวลานจิน๊บนัมาศการครับพระเจ้ามั่นเดี๋ยวผมมาคุยในห้องเองครับ สบายดีนะเจ้าคะ่ะสบายดีอยู่ทำงานอยู่ค่ะนะอาจารย์พอดีโยมเมื่อกี้จะมีเดี๋ยวจะมีคนคนเดินมากวนโยมก็เลยต้องย้ายเอาวันนั้นคุยกับอาจารย์ตรง น, นี้ค่ะรอาจารย์ขอพระทานโทษค่ะอาจารย์สบายดีนะคะอสบายดีจ้าค่ะโยมก็ไม่มีคําถามคะ่ะ ก, ก็พยายามฟังทุกคนแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองคะ่ะก็ ช่วงนี้การปฏิบัต <K> ิก็ภาวนาอย่างเดียวคันั่งสมาธิก็ย่อนหย่อนลงไปบ้างก็จะพยายามพระอาจารย์ไว้กล้าวารายงานพระอาจารย์เลยว่ามีความคืบหน้าอะไรพวารู้สึกหรอว่ามันเหมือนตก็รายงานว่าไม่ถอ <p> ยหลังแล้วก no ันทําให้คืบหน้ามันเหมือนกับเหมือนเหมือนยืนอยู่ที่เดิมแต่เผอิญว่าข้างหลังมันชนฝาแล้วก็ไม่ถอยไม่ได้มันถอยไม่ได้ ก็ดียังไม่ฝาลอยกั้นอยู่ถ้าไม่มีฝาลกอาจจะตกเหวไปแล้วใช่ตค่ะก็เลยใช้ให้เหมือนกับคิดว่าชาแนาท่าเอาเบเท้ายันไว้อย่าไปไหนหมอย้งัไม่เนไม่ต้องอายหรอกไม่ต้องอายหรอกคนเราก็แต่ละคนก็มีความสามารถไม่เท่าเทียมกันยอมอายค่ะยมแค่ละอายเฉยๆแต่เรามีความพยายามันแล้วกัน ความพยายามนี้นะครับสาเร็จอย่างนี้งั้นนะชาเลย์ค่ะทูข้าเหมือนพระอาจาย์ให้กําลังใจน้องคนก่อนนะว่าเป็นม้าตีนปลายยมเขาแบบเอาเป็นไม่ต้องม้าตีนไปม้าตัวหลังสุดของขบวนเราเกินอย่าต่อขบวนก็แล้วกันนะขอเอาไป็นงหลักใช้ด้วยกันก็แล้วกันใช้าหม่ก็ไม่เป็นไรบอกว่ากําแพงที่กั้นหลังไว้อย่าไปไหนแล้วจะเกาะที่งนั้เลย ค่ะไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ขออาจารทัดทันแข็งแรงนะคะแค่อยากได้ยินเสียงพระอาจารย์ค่ะก็เลยแบบว่าเอออย่างน้อยได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็ทุกครั้งที่ทําอะไรก็จะได้มีสติกลับมาเยอะๆหน่อยค่ะโอเคไปพุทโธพุทโธเรื่อยๆนะค่ะพระอาจารย์ค่ะกล่าวขวัญนะคุณค่ะนวัตการมของพระอาจารย์คุณเจ้ากลอบถึงบ้านแล้วคุณเจ้า กลับมาศกาลค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะหนูกลับมาเมื่อวันริหัส ท, ที่แล้วค่ะอืมก็ไม่มีอะไรไหมหนูทดลองที่วันนั้นอ่วันพุทธที่คุยกับพระอาจารย์ไว้ค่ะว่าจะลองนั่งเยใช่ไหมคะ่กมะก็ปรากฏว่าขึ้นไปถึงเครื่องบินเนี่ย ทางซ้ายของหนูก็เป็นเด็กอายุประมาณห้าเดือนข้างหน้าหนูประมาณเด็กสามขวบแล้วข้างหลังเลยเป็นเด็กประมาณสองขวบหนู <c oughs> <c oughs> เอาแล้วบททดสอบอุเบกขามาแล้วหกชั่วโมงหนูนั่ง <c oughs> ก็คือก็คิดว่าโอเควันก็คือตอนนั้นก็คือนั่งเฉยๆคงไม่ได้คิดว่าน่าจะมีเสียงรบกวนและคงจะมีความลำคันใจเพราะฉะนั้นก็เลยจะเปลี่ยนเป็นออุเบกขาแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปรากฏว่าเด็กๆเป็นใจค่ะค่อนข้างเงียบ ก็ไม่ค่อยมีใครร้องอะไรหนูก็อโอเคสงสัยอจําะไม่ได้มีบททดสอบอะไรแต่ปรากฏว่าคนนั่งข้างๆหนูเลยะคะ่ะแล้วเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบเขาก็คุยอะไรกันวนพอาจารนหกชั่วโมงอะ่ะเขาหยุดประมาณสองชั่วโมงสุดท้ายะคะ่ะ<ม>แล้วก็เปิดเดสัมพัษณ์นัดแรกก็เป็นแสงไฟจากโทรศัพท์หนูบินตอนกลางคืนเครื่องบินมันก็ปิดไฟมันก็มืดนะคะให้ทุกคนนอนอะไรยเงี้ยแต่ว่าคนข้างๆเขาก็เล่นโทรศัพท์ กตอนแรกก็เป็นแสงไฟโทรศัพท์ก่อนแล้วก็เริ่มมาเป็นเหมือนหนังสือแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คินโดอะไรเงี้ยค่ะหน้าจอก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาเป็นไอแพดสักพักเป็นคอมโอเคบททดสอบอุเบกขาของหนูก็แตกสั้นค่ะหนูก็แบบใจก็เริ่มแบบเป็นทุกข์อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ตั้งสติว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็ก็คือเราก็แค่ชีวิตจำวันต้องต้องนั่งสมาธิเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรแบบนี้ใช่ใช่ค่ะอันก็ก็จบไป แล้วก็หนูวันนี้หนูมีคำถามเรื่องอเวลาที่นั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปถึงคือที่ที่หนูฟังมาพระอาจารย์จะแนะนำว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอเดินปัญญาจนกว่าเราจะสามารถที่จะเข้า อ, อัปปนาได้อย่างค่อนข้างคล่องแต่ว่าเข้าออกได้ค่อนข้างคล่องก่อนถูกไหมคะเราถึงได้ค่อยเริ่มหัดเดินปัญญาทีนี้ถ้าสมมติว่าวันหนึ่ง หนูมีบุญไปถึงจุดนั้นเนี่ยคะ่ะจุดที่โอเคหนูสามารถเข้าออกอ่อัอปนาได้ค่อนข้างดีแล้วตอนที่หนูกําลังจะเริ่มจเจริญปัญญานี่คือหนูเคยได้ยินคลิปพูดกันว่าเหมือนเราต้องถอนออกมาจากสมาธิมันแปลว่าอะไรเหรอคะการถอนออกมาคือไม่ได้ทำที่ในช่วงที่เราเข้าสมาธิไงทำตอนตอนี้ตอนที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเช่ตนตอนนี้เราทําได้ตอนตอนที่เราใช้ความคิดอยู่นี่เราก็ใช้คิดเป็นทางปัญญาได้ แต่พอเราเข้าสมาธิ<ฆ>เราเราจะไม่คิดอย่างเราจะหยุดคิดเวลาอยู่ในสมาธิเ<ฆ>นี่ยมันก็คิดไม่ได้ที่คิดทางปัญญาไม่ได้ตอนที่อยู่ในสมาธิต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนถ อ, อนออกจากสมาธิก่อนเอาวาถอนก็คือออกจากสมาธิแล้วพอออกมาแล้วเริ่มคิดก็เอามาคิดทางปัญญาแทนอืแต่ว่ากระบวนการความคิดมันเหมือนกันเลยกับการที่เรามีชีวิตประจําวันและคิดตามอยู่ถูกไหมคะต่างกันตรงที่แค่ว่าด้วยความที่เรามีสติ ที่ไปถึงความนิ่งของมีสมาธิที่ไปถึงเ อ, อ, อัปปนาการคิดนี้มันก็เลยทําให้เราเข้าใจถูกไหมคะส่วนหนึ่งและส่วนนึ้งก็คือเราจะบางครั้งให้มันคิดแต่เรื่องที่เราต้องการจะคิดอย่างเดียวอ๋อโอเคค่ะเป็น subject subject แบบเรื่องที่เราตคิดเรื่อ ง, งแรก็คือเรื่องร่างกายน่ะพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นตัวเราหรือเปล่าค้นหาตัวเราในร่างกายหนึ่งเช่นค้นเข้าไปในอาการ32ดู อืมแต่มันจะต่างกันกันกบการที่ถ้าสมมติตอนนี้หนูเอาหนังสือกายคตาสติมาเปิดอ่านแล้วหนูเอามานั่งพิจารณาอ่านหนังสือและคิดตามอย่างเงี้ยด้วยความที่สติเรายังไม่ดีพอเราจะเหมือนเราจะหลุดถูกไหมคะวอกแวกมันก็เลยทําให้เราไม่ได้เกิดปัญญาในใจใช่ต้องอาศัยเรามีสมาธิก่อนเราถึงสามารถนึ ง, งก็ามรู้วันนี้เข้ามาใน ใ, นใจเราได้อืมโอเคเข้าใจละค่ะแต่ก็คือออกมาอืมแล้วก็ยังไม่พอ แล้วเราขั้นต่อไปเมื่อเราเราศึกษาแล้วเราเรื่ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ต้องปล่อยวางนะปล่อยมันให้ได้มันเนี่ยตอนที่เราจะปล่อยเนี่ยต้องอาศัยกําลังของสมาธิช่วยปล่อยอืมใช่ใช่คะตอนที่เรา<บ>พิจารณาเนี่ยังเรายังไม่ได้ทําข้อสอบหรือเพลงทำการบ้านกันกีเรีมันยังไม่ออกมา เช่นต่อไปเกิดมีกิเลสสมมว่าเรามาถือสินแปดเราไมนจะไม่มีแฟนอย่างเงี้ยล้วเกิดกิเลสเันเกิดใีความอยากร่วมเพศขึ้นมา ต, ตอนนั้นอ่ะต้องเอ า, อาสุภาามาใช้สู้กับมัน <c oughs> ถ้าเห็นว่าร่างกายที่เราอยากของคนที่เราอยากจะไปร่วมเพศเป็นสุภาษามีการทางนิสสองแล้วก็ความอยากร่วมเพศมันก็จะหายไป <c oughs> อันนั้นเรามีการทาข้อสอบ อราเดินดูว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านชนะความอยากง้อเพศได้หรือเปล่าเรายังสู้ไม่ได้อยู่ถ้ายังไม่ผ่านก็คือต้องกลับเข้าสมาธิใหม่แล้วพอมีสมาธิก็ออกมาใช้ปัญญาจเจริญใหม่ออืแล้งเราเรทาสลับกันทสองอย่างอืที่ถ้าอยากปล่อยไม่ได้แสดงสมาธิเราอาจจะมีกําลังไม่พอมีปัญญาเรายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นอสุภะ ยังไปเห็นว่ามันสวยงามอย่ยังไม่ยอมมองส่วนที่ไม่สวยงามอยู่ค่ะทีนี้ในส่วนของเออ่การพิจารณาแบบเนี้ค่ะมันมันเหมือนมันจะมีความอัศจรรย์ใจเหมือนตอนที่ถ้าเวลาเราเข้าสมาธิไหมคะเวลาที่เราเกิดปัญญาว่าอ๋อเออเราเห็นแบบเป็นซากศพจริงๆเลยมันจะแบบเหมือนเหมือนสบู่ยังไม่มอัศจรรย์มันยังอัศจรรย์ตอนที่เราหยุดความอยากได้ เวลาเกิดความอยากแล้วเราใช้ปัญญาที่เราพิจารณานี้มาหยุดความอยากได้เช่นเวลาเราเจีวความตายอย่างเงี้ยเราแต่กิเลสมันจะไม่อยากตายใช่ไหมความไม่อยากตายมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมตายตอนนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมันต้องตายแน่นอนพอนเรายอมรับความตายได้ยอมตายได้ ความทุกข์ที่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายก็จะหายไป ต, ตอนนั้นน่ะมันจะเกิดความหาสะจใจขึ้นตอนนั้นตอนที่ทุกข์ดับจากใจแล้วไปโอเคค่ะเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าถ้าในกรณีที่เราพิจารณาเรื่องต่างๆก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่ อ, อาจจะมีความโลง่ลงอกโลง่ลงอกโลง่ล ง, ล ง, ลงใจขึ้นมาแต่มันยังไม่ใช่ของจริงอเพราะทุกข์ไม่ได้ถูกปล่อยจริงๆเรายังไม่ได้เจอของจริงทุกข์ยังไม่เกิด มันไปเจอเหตุการณ์จริงเช่นไปถูกเขาเจี้เขาปานเขาปืนมาจอดที่ขมับเราเอย่างเงี้ยนั้นใจเราเริ่มสั่นเริ่มทุกข์อย่างเงี้ยแล้เราพิจารณาตายก็ตายว่าร่างกายมันต้องตายวันใดวันหนึ่งใช่ไหมมันไม่เที่ยงมันยอมตายแนละ้วมันจะยิงม่งใจมันก็เย็นเย็นสงบไปเลยไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่อะไรกับเหตุการณ์ที่กำลัง เ, เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นการปล่อย ตรงนี้กับความมีอุเบกขามันคือเหมือ น, อ น, นสิ่งเดียวกันก็ปล่อยก็อุเบกขาไงก็เฉยไหยุดความอยากได้ ค, ความอยากมันาทาให้ใจใเราไม่เฉยเราต้องหยุดความอยากพอหยุดความอยากปั๊บใจมันก็จะเฉยต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายเราไม่เที่ยงมันต้องตายเป็นธรรมดาค่ะแต่จะยอมรับความจริงได้เราก็ต้อง ม, มีสมาธิอาพออมีอุเบกขาพอที่จะวางเฉยได้ยาวไม่เป็นตายได้ถ้าเราไม่วางเฉยแล้วพยายามดิ้นหน่อยยิ่งต่อสู้พยายามหลบนี้มันก็ยังเครียดอยู่ค่ะแล้วอุเบกขาเกิดมาจะเกิดขึ้นได้อัตโนมัติด้วยจากการที่มีสมาธิหรือว่าอุเบกขาจะเกิดจากการที่เราต้องพิจารณาอะคะ่ะอุเบกขามันเกิดจากการมีสมาธิ การพิจารณานี้ื่อให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราไปยึดไปติดนี่น ม, นนมันเป็นไปไม่ได้เช่นเป็นไปให้มันไม่ตายไม่ได้เช่นร่างกายเราเห็นความจริง mm hmm. เราจะปล่อยว่าว่ายึดยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีสู้อย่ายึดดีกว่าปล่อยมันไปดีกว่า้วปล่อยได้ก็ต้องมีอุเบกขาจากสมาธิมาปล่อยอีจริงถ้าเราไม่เคยฝึกสมาธิเราก็ไม่รู้จักปล่อยมาปล่อยอยังไงไม่รู้จักอุเบกขาเป็นยังไง ในถ้าาฝึกสมาธิ<ม>บ่อยๆเราก็จะรู้ว<ม>่าวิธีทําให้ใจปล่อยปล่อยัอยอยงไงโอเคเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์มันมีต้องต้องมีทั้งสองอย่างมันถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรบาบคาบถ้ามีสมาธิอย่างเดียวมันก็เพียงแต่ทําให้เวลาเรากลัวเราหลบเข้าไปในสมาธิดังนั้นความกลัวก็หายไปแต่มันไม่เราไม่หายชัว่วขณะ พอเรามาจากเขามาที่มันเจอเรื่องเรื่องราวที่น่ากลัวมันก็ทําให้เรากลัวขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราบอกว่าไอ้เรื่องไอ้ความกลัวมันเกิดจากความไม่อยากไม่อยากรับความเป็นจริงไม่อยากไม่อยากให้ร่างกายตายแต่เราก็พิจารณาเห็นความจริงว่ามันต้องตายอยู่ดีไม่ใช่ก็เลยก็ยอมให้มันตายเพราะยอมให้มันตายความกลัวตายมันก็จะหายไปทันทีแต่มันก็เรามีสมาธิมันในยาธรรมะ มันถึปล่อยได้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ยังโกยอยู่นะมันไม่ยอมปล่อยนะมันยังอย่า ง, งไม่ตายอยู่นะโอเคเข้าใจแล้วค่ะก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องทำสองอย่างควบคู่กันนั่งสมาธิเพื่อสร้างอุเบกขาขึ้นม า, าและการมาฟังหนังสือก็หนังสือเอเอาความรู้เข้ามาสอนใจว่าร่างกายมันไม่เที่ยงอานิจจังมันถ้าไปยึดติดมันจะทุกข์ถ้วปล่อยแล้วมันก็ไม่ทุกข์ เข้าใจแล้วค่ะแล้ววันหนึ่งเราก็ค่อยเอาสิ่งที่ฟังทั้งหลายทั้งแหล่นี้เมื่อมีอุเบกขามีสมาธิแล้วเอามาพิจารณามันก็จะเวิร์กมันก็จะหลุดแล้วก็เราไป <c oughs> หาข้อสอบทําในทีหนึง่งนะฮที่น่ากลัวอยู <c oughs> ตอ่ต้องมีเหตุการณ์มาทดสอบใจเราอีกทีค่ะถึงั <c oughs> น, นถึงจะรู้ว่าเต้นน้อยว่าปล่อยได้จริงหรือไม่จริงอื <c oughs> อย่างเช่นที่ที่หนูไปนั่งนั่งเครื่องบินแล้วล<ต>ำคานะ ในครื่องสียอ่านอยงนิมลังคารนั้นก็ไปข้อสอบอย่างมันจะทําทเป้นวางเฉยได้ไหมปล่อยไม่ไปยุ่กับสิ่งที่รับข้างเราได้หรือเปล่าเพราะเราไม่บังคับขอไม่ได้ห้ามขอไม่ได้ใช่้หมเร า, าก็มองเขเป็นเหมือนอน ต, ตาเป็นเหมือนดินฟ้ากานไปพอลําำพังใจถือเป็นนิว <c oughs> ถือเป็นนิวรห้าเลยป่ะค่ะพระอาจารย์มันก็อยู่ที่ มันก็จะถือว่าเป็นนิวรันกันได้แล้วจะถือว่าเป็นเรื่องของการที่เรายังไปยึดไปติดรูปเสียงกิ่นรสอยู่อืมเรายังไม่ปล่อยนี้อยากให้รูปเป็นอโอเคเข้าใจแล้วค่ะแต่คนยังไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นนิวรันห้ามเป็นอย่างไงให้รู้ว่ามันมันมันทุกข์มันมันกิลเลสที่เรายังต้องปล่อยให้ได้แนละ้วเพื่อนเราจะได้ไม่ทุกข์ <c oughs> โอเคถ้ okay. าใช่ละค่ะหนูติดบางทีติดทฤษฎีจะต้องอยากรู้ว่าอันนี้นเรียกอะไรอะไรติดทฤษฎีมากไปถ้อาอยกจะรู้กค่รู้ว่าการดับทุกข์ดับได้ยังไงเท่านั้นก็พอค่ะอย่า ง, าางอือ่นรู้ไปมันก็ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรู้ว่าการที่เราทุกข์เพราะเราอย า, อยากอยู่ถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราก็ต้องปล่อยความอยากหยุดความอยากให้ได้อันนี้ยทฤษฎีที่เราต้องการเแค่รู้มีแค่นี้ กขเกิดจากความยาวนะอยากของเรานอยากไม่ตาย อ, อยากไม่เจ็บนี่แต่เราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะเราห้ามความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีเข้าใจแล้วค่ะค่ะตัะ้งเท่านี้ค่ะค่ะตังเครื่องที่จะคว้าญาติไปที่บอดแลนด์นี่มันใช้เวลากี่ช่วง มัาล่าแต่ทิศทางลมอะค่ะตอนขาไปหนูใช้เวลาสี่ชั่วโมงแต่ว่าขากลับเหมือนบินทวนลมมั้ค่ะหกชั่วโมงหกชั่วโมงเี่อต่างกันตั้งสองชั่วโมงเหรอห้าแบบห้าไปไปอ่ะห้าชั่วโมงห้าสิบนาทีอาจารย์แต่ช่วงนั้นคุณยังมีเพราว่าอากาศ ไ, ไม่ค่อยดีใช่ไคิดว่ามั้งค่ะแบบ<ม>ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเธอได้ยินมาว่าขึ้นอยู่กับทิศทางลมถ้าลมมันพัดไปทิศเครื่องบินเราก็ไปเราไปไปเร็วได้ถ้าไป ชวนทางกันก็มันก็มันก็ช้ามันได้ค่ะได้ค่ะอเคเพราเมื่อก่อนจำได้เราบินจากออฟเฟื่อนไปไปไบเมนบ้างไบแบงกอร์เมนเนี่ยแค่สี่ชั่วโมงค่ะหนูก็เคยบินไปนิวยอร์กหกชั่วโมงเหมือนกันค่ะอ่าแต่ว่าฟลอริดาจากนิวยอร์กมันก็ห่างกันพอสมควรหนูก็เลยยังสงสัยเหมือนกันค่ะขากลับว่าแบบพผลกชั่วโมงเฉลอะเพราะว่าขาไปหนูแค่สี่ไงค่ะหนูก็ได้แบบ่ ตามนั้นโอเคขอบพระคุณมากส <ละ S 1> าธุตอนนี้คำถามของคนในห้องหมดแล้วไปที่คุณหลา้าต่อคุณหลา้ามีคำถามอะไรไหมยลราบนเทศการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทางเฟซบุ๊กและยูทูบเจ้าค่ะ<า>คำถามาแรกจากคุณชาทุเรียนเทศ การพิจารณานี้ดูโครงประดูกในกายเกสาโลมานักขาทันตาตัดโจถูกไหมครับก็ดูให้มันทั่วทั้งหมดเลยทั้งอาการสารเิสองเอาแยกออกมาเป็นกองๆอะไก็ได้เอากระดูกไว้กองหนึ่งเราผมไว้กองนขนไว้กองหนึ่งแล้วเราค้นหาตัวเราว่าอยู่ในในในส่วนไหนของอาการ3ารสองนี้ เราก็จะรู้ว่ามันไม่มีเรามันเป็นความโง่ของเราคิดไปเองไปไปตู่ว่าเราอยู่ในร่างกายนี้เพราะมันคนดูจริงๆแล้วมันไม่มีอันนี้ก็เป็นการมองให้เห็นอนัตตาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายและในในขณะเดียวกันมันก็จะทําให้เราเห็นวน่าร่างกายมันมีส่วนประกอบที่ไม่สวยงามมันก็อาจจะมาใช้การระ ง, งับการมารมลได้เวลาเกิดการมารมลขึ้นมา ทำนึกถึงส่วนประกอบของร่างกายนึกถึงโคงกระดูกของคนที่เรารักเราชอบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้การมีการการมารมมัอาจจะดับไปได้หรือถ้าไม่ดับก็อาจจะต้องคิดถึงเวลาร่างกายกายเป็นซากศพไปอันนี้ก็แล้วแต่วิธีพิจารณาของแต่ละคนเราต้องเห็นซากศพแล้วเห็นอาการ32มันถึงจะราบการมารมได้ มีสีคำถามจากคุณทีรภูมิค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามที่หนึ่งการให้สิ่งต่างๆแก่คนในครอบครัวเช่นให้สามีภรรยาหรือลูกถือเป็นการให้ทานไหมครับและจะแตกต่างจากการให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเช่นพระหรือคนยากจนไหมครับคือมันก็เป็นทานเป็นการให้เหมือนกันแต่อันนี้สองอาจจะคนนั้นอา จ, จะไม่เท่ากัน พราถ้าเราให้กับคนที่ใกล้ตัวเรามันก็เหมือนกับว่ามันยังเป็นส่วนของเราอยู่มันกใ็ให้กับตัวเราเองอยู่แต่ถ้าเราให้กับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันเป็นหือนกับเป็นการให้ที่ยากกว่าแล้วก็เป็นการให้ที่จะทำให้เราได้ความรู้สึกที่สุขใจมากกว่าได้บุญมากกว่ากันคำถามต่อไปในกรรมาฐานสี่สิบ มีหมวดของพรมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งไม่มีรูปให้กำหนดไม่ทราบว่าจะกำหนดใช้พรมวิหารสี่อย่างเป็นกรรมฐานอย่างไรที่ทำให้จิตมีความตั้งมั่นครับออมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือว่าถ้าเรามีเหตุการณ์เช่นใจเราก็มาโกรธใครเกลียดใครอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ความเมตตา คือให้อภัยเขาอย่าไมปถือทนโกรธเกินเขาแล้วมันก็จะทําทให้ใจเราสงบลงได้ถ้าเราไม่ใช้เมตตามันก็ยังกโกรธอยู่หน้าเกลียดอยู่หน้าพุโทโธก็ไม่ลงดูลมก็ไม่ลงก็ต้องมาใช้ความเมตตาเรา อ, อย่าไปจองเวรจองกรรมกันพุทธเจ้าบอกเวรย้มไปนาง้ำด้วยการจองเวรพอเราเห็นทนมีการจองเวรล้วก็ให้อภัยเขาไป ให้อภัยเขาทีนี้ใจเราก็กลับมาเย็นสบายสงบมาภาวนาต่อได้อันนี้มันต้องมีเหตุการณ์ที่มาลบกวนใจเราลรแล้วเราต้องใช้พรหมวมิหารสี่เช่นความเมตตาหรือถ้าเราไปอิจฉาสียาเพื่อนเราเขาได้ได้ได้ตำแหน่งที่เราอยากจะได้แล้วก็เราก็โกรไม่มีความสบายใจเช่าใจเสียใจแคร์เขาไม่พอใจในตัวเขา เราก็ต้องใช้มุติตาว่าเป็นเรื่องของบุญของกรรมของแต่ละคนเขาทาบุญเข้ามาเขาก็ได้ก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาได้ตำอะไรนี้ก็ยกให้เขาไปต้องเชื่นชมยินดีไปกับเขามันต้องใช้มุติตาจิตมันถึงใจจะสนุนได้หรือถ้าเราเป็นไปวิตกกังวลกับคนนั้นคนคนที่เรารักเขาไม่สบายแล้วเขาจะตายแต่เราก็ช่วยเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่เราก็ยังอยากจะช่วยเขาอยู่ เราก็ต้องใช้บเบกขาที่ว่าอ๋อมันเป็ น, นเป็นเรื่องที่สุดวิสัยที่ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปช่วยอะไรก็ได้ถ้าไม่อยากช่วยมันก็จะทำให้เราทุกข์ไม่สบายใจเรื่องนเราก็ต้องใช้บเบกขาต้องยอมปล่อยวางเขาไปอันนี้ก็ต้องมีเหตุการณ์ถึงจะต้องใช้พรห ม, มวิหารได้คำถางต่อไป การที่จิตจะรวมได้ต้องกำหนดสิ่งสิ่งเดียวดังนั้นในกรรมฐานสี่สิบเราควรเลือกใช้กรรมฐานเดียวเพื่อกำหนดให้เกิดสมาธิใช่ไหมครับใช่เวลานั่งสมาธิผู้เจ้าสอนให้ใช้อนาปารสติให้ดูลมหายใจเขาคำถามสุดท้ายถ้าเราดูอสุภะสิบอาการย้อนไปมาหรือดูอาการสามสิบสองทั้งหมด ย้อนไปมาอาการเหล่านั้นที่ดูจะเคลื่อนไม่นิ่งหรือการที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพิจารณาอาหารก็ต้องอาศัยการนึกคิดถ้าทำแบบนี้จิตจะรวมสงบรวมลงได้หรือไม่ครับไม่รวมหรอกเราเอามาใช้เพื่ออะไครับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่เราอยากกินอาหารเนี่ย ทำให้เราทุกขขึ้นมาจนเราซื้อสินแปดเราต่องเย็นหิวข้าวเย็นนี้อาจะทําให้ความหิวความอยากกินข้าวหายไปก็ต้องคิดถึงปฏิกูลของอาหารคิดถึงอาหารเวลาที่มันถ่ายออกมาจากร่างกายพอมันคิดถึงปั๊บโอ้ยเราก็งวลใจอยากอยากจะกินนะปฏิกูลเนี่ไม่ได้กินอะไรเลยพอคิดอย่างนั้นตั้มไป็ความอยากกินก็หายไปความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็สงบลนหายไป มันสงบด้วยปัญญาแต่มันไม่สงบแบบรวมเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นชาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสงบเพราะนะงับความอยากนงับความทุกข์ใจคำถามหมดแล้วเช้าค่ะโอเคนะก็หมดเวลาพอดีเป๊ะเลยเกินไปหนึ่งนาทีตลอดเกินนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ